ท่านผู้ฟังชีวิตมนุษย์เนี่ยบางครั้งชีวิตอันยิ่งใหญ่ก็มาจากชาติกำเนิดอันต้อยต่าดังเช่นท่านชีวโกโอมรพัตอุบาสกอีกผู้หนึ่งในสมัยพุทธกาลที่ถือกำเนิดมาจากหญิงสโสเพณีถูกทอดทิ้งตั้งแต่เป็นทารกน้อยอายุไม่กี่วันแต่ท่านก็สามารถนำพาชีวิตให้งดงามและยิ่งใหญ่ได้ด้วยความมั่นคงในจิตวิญญาณ ความใฝ่รู้และเชื่อมั่นและความศรัทธาอันสูงส่งชีวโกโมรพัฒเป็นที่ยกย่องนับถือกันว่าเป็นดั่งบรมครูทางแพทย์ด้วยว่าท่านเป็นแพทย์ประจำองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและทรงมีบทบาทสำคัญไม่น้อยทั้งในวิชาแพทย์และต่อศาสนาการศึกษาชีวประวัติของบุคคลสำคัญสมัยพุทธกาลนั้นไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวแต่อย่างใด ด้วยเพราะชีวิตที่ยิ่งใหญ่นั้นย่อมเปี่มด้วยคุณค่าและมีสิ่งดีๆให้เราศึกษาให้เราได้เห็นเป็นตัวอย่างได้ดีเสมอเรื่องของหมอชีวโกโกมรารพัฒ์เกิดขึ้นในประเทศอินเดียครั้งพุทธกาลว่ากันว่าเฉพาะตอนที่เรียกว่ามัธยมประเทศนะ่ะแบ่งออกเป็นแคว้นเล็กๆทั้งหมดก็สิบหกแคว้นเรียกว่ามหาชนบทมีการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชบ้าง ราาประชาธิปไตยหรือว่าสาธารณรัฐบังมีแคว้นหนึ่งในสิบหกแค ว, นนแควน้นเป็นแคว้นใหญ่สำคัญที่กำเนิดบรมครูแพทย์ธีวกโกรมารพัฒนนั่นก็คือแคว้นมคตซึ่งมีการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชมีพระเจ้าพิมพิสารเป็นผู้ครองแควน้นมีเมืองหลวงชื่อนครราชครื้ตั้งอยู่ฝั่งใต้ของแม่น้าคงคาแล้วขึ้นไปทางเหนือเป็นอีกแคว้นหนึ่งเขาเรียกว่าแคว้นวัชี ปกครองตามแบบสามัคคีธรรมมีเมืองหลวงชื่อไผ่สลีแคว้นมาคตกับแคว้นวัดชีมีการติดต่อไปมาค้าขายกันอย่างมีสัมพันธไมตรีที่ดีต่อกันมีอยู่คราวหนึ่งพวกบุคคลสำคัญสำคัญชั้นเศรษฐีกระดุมพีในกรุงราชครื้ไปทากิจธุระในกรุงไพ่สลีคนพวกนี้เกิดไปสนใจหญิงโสเพณีซึ่งตั้งสานักเกลือนกราดอยู่ในกรุงไผ่สลี ซึ่งเป็นอาชีพที่ไม่มีในแคว้นของตัวตัวก็สนใจก็พากันเห็นพ้องต้องกันว่าดีเปิดช่องทางให้เงินตราไหลเข้าสู่แคว้นโดยได้จากคนต่างแคว้นซึ่งเข้ามาทำธุรกิจเช่นพวกพ่อค้าวานิชเข้ามาทำการค้าขายเป็นต้นเข้ามาแล้วก็จะเข้าหาหญิงโสเพณีหญิงพวกนี้ก็เท่ากับเป็นคณะมีหน้าที่ทำการต้อนรับแขกเมืองอันมาจากแคว้นต่าง ปรากฏว่าหญิงโสเภณีในแคว้นวัดชีครั้งกระนั้นมีหัวหน้าควบคุมชื่อนางอัมพปาลีได้รับตำแหน่งเป็นหัวหน้าเรียกว่าคณิกาประกอบกับชื่อของเธอว่าอัมพปาลีคณิกาเฉพาะนางอัมพปาลีเองเป็นหัวหน้ามีค่าตัวคือนหนึ่งห้าร้อยกหาปณะนะเมื่อพวกเศรษฐีชาวกรุงราชครือจำนวนนั้นกลับสู่แคว้นของตัว ได้โอกาสก็พากันเข้าเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินของตอนก็ทูลเล่าถวายถึงความเจริญอุดมสมบูรณ์ของกรุงพศษลีแล้วก็เรื่องของมันดาหญิงโสเพณีซึ่งมีอยู่ทั่วทั่วไปตามหัวเมืองต่างๆที่สำคัญในแคว้นวัชชีทูลถวายความเห็นถึงประโยชน์ของหญิงโสเพณีว่าเป็นหนทางหาเงินเข้าสู่ประเทศได้จากคนต่างแควน้นซึ่งมาจากแคว้นต่างๆทูลแนะนาว่าควรจะให้อ่า จัดการตั้งพรรคหญิงโสเภณีขึ้นมาบ้างในประเทศเหมือนอย่างแคว้นวัชีพระเจ้าพิมพิสารทรงสดับแล้วก็ทรงเห็นประโยชน์สอดคล้องกับคนเหล่านั้นจึงทรงประธานพระราชาอนุมัติเสนาบดีผู้เป็นประธานก็ได้ดําเนินการจัดสรรขึ้นตามความประสงค์ของคนเหล่านั้นหญิงที่จะเป็นโสเพณีได้ไม่ใช่จะหมายเอาแค่คนรูปสวยอย่างเดียวเท่านั้น ต้องเป็นคนที่สมบูรณ์ได้มารยาท น, น่าตัดสินมีความรู้ในการขับร้องจับระบำรำพรและดนตรีประเภทต่างๆด้วยหญิงสาวชาวกรุงราชครึ่คนหนึ่งมีนามว่าสารวดีได้รับตำแหน่งหัวหน้าหญิงโสเพณีประจำแควน้นมีรูปสมบัติและคุณสมบัติสมบูรณ์พร้อมการพรอนรำระบ ำ, ำดนตรีนับว่าเธอมีความเลิศหาผู้ทัดเทียมได้ยากมีค่าตัวคืนหนึ่งหนึ่งรอยกหาปณะนะ ตั้งแต่นั้นมาแคว้นมคดก็เกิดมีหญิงโสเพณีขึ้นดาดดืนตามหัวเมืองสำคัญสำคัญเช่นเดียวกับวัชชีนับว่าเป็นวิธีการหาเงินเข้าประเทศที่ได้ผลดีอีกอย่างหนึง่งนางสาร บ, บดีหัวหน้าหญิงโสเภณีทำหน้าที่รับแขกเมืองดีมีเกียรติคุณกระชอนไปยังแคว้นต่างๆในชมพูทวีปจําเนียนการผ่านมาจนนางตั้งคัน ในระหว่างที่นางมีครันนี้ก็ได้พักหน้าที่รับแขกชั่วคราวจนกว่านางจะคลอดบุตรเสร็จครั้นถึงกําหนดครบทศมาศก็คลอดบุตรออกมาเป็นชายนางสารวดีผู้มารดาก็ไม่ได้คิดที่จะเลี้ยงดูทารกนี้เลยจึงสั่งให้สาวใช้เอาทารกไปทิ้งที่กองขยะในเวลาตอนเช้ามืดเพื่อไม่ให้ใครจับร่องรอยได้ตอนเช้าตรู่วันนั้น อภัยราชกุมารซึ่งเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าพิมพิสารสเสด็จประพาสมหานครเลี้ยวเข้าถนนสายหนึ่งทอดพระเนตรเห็นกองขยะขนาดใหญ่มีฝูงกาจับเป็นกลุ่มๆพระองค์จึงทรงตรัสให้สารธีไปตรวจ ด, ดูสารธีไปดูก็เห็นทารกเพศ ช, ชายนอนอยู่บนกองขยะก็กลับมาทูลว่ามีทารกนอนอยู่บนขยะมูลฝอยพระเจ้าค่ะอภัยราชกุมารตรัสถามว่าเป็นหรือตาย สารถีก็ทูลตอบว่ายังเป็นอยู่พระเจ้าค่ะเมื่อพระองค์ทรงทราบว่าทารกยังมีชีวิตอยู่ก็ทรงรับสั่งให้สารถีนาเอาทารกนั้นออกมาจากกองขยะแล้วก็ทรงนำทารกนั้นกลับเข้าไปที่พระราชวังทรงให้ชื่อทารกนั้นว่าชีวกแปลว่าผู้เป็นอยู่ในภาษาไทยเราก็ควรจะเป็นเจ้าชีวิตหรือว่านา ย, นายชีวิตนะชีวกะนี่นะ ครั้นเมื่อนำมาสู่พระราชนิเวศวังของพระองค์แล้วทรงมอบให้นางนมคนหนึ่งทรงบังคับให้นางเลี้ยงดูทารกนั้นเป็นอย่างดีภายหลังเมื่อทารกเจริญวัยขึ้นก็ได้นามเพิ่มเติมว่าโกมารพัทหมายความว่าเด็กหรือบุตรที่พระราชกุมารทรงฉุบเลี้ยงไว้รวมกันเข้าก็เป็นชีวกโกมารพัทแต่ผู้คนภายนอกทั่วๆไปก็พากันเข้าใจว่าชีวกโกมารพัทนั้นเป็นราชโอรสของอภัยราชกุมาร เป็นพระนัดดาของพระเจ้าพิมพิสารแม้แต่ตัวท่านชีวกวมรพัทเองก็เข้าใจว่าตัวเองเป็นพระโอรสของอภัยราชกุมารเป็นหลานของพระเจ้าพิมพิสารเหมือนกันเมื่อท่านชีวกจเจริญวัยขึ้นเป็นลำดับครั้งหนึ่งน่าจะมีเหตุการณ์อะไรสักอย่างณนะภายนอกเกิดขึ้นเราจิตเราใจท่านชีวกให้คิดถึงตัวเองว่าคนมีสกุลอย่างเรา ถ้าไม่มีศิลปะวิทยาความรู้เป็นเครื่องประดับจะดำรงชีวิตไปได้ยากเราจำต้องหาวิชาใส่ตัวจึงจะเหมาะสมอันศิลปะวิทยาการเครื่องประกอบเป็นอาชีพนั้นก็มีมากมายในโลกเราจะเลือกอย่างไหนดีหนอก็เกิดความคิดเห็นชอบใจในวิชาการแพทย์ก็ตกลงใจเลือกวิชาการแพทย์ท่านชีวโกอมรพัฒนนั้นเป็นผู้มีอธัธยาศัยอย่างนั้นเตือนใจอยู่เป็นทุนเดิมแล้ว จึงจำเพาะเจาะจงหมายเอาวิชาการแพทย์ศพเมาะวันหนึ่งท่านชีวกก็ได้พบกับพวกพ่อค้าชาวเมืองตักกัิลาท่านชีวกทำความคุ้นเคยกับพ่อค้าคนหนึ่งจนสนิทที่ชอบถามถึงพฤติการความเจริญความเสื่อมการกินการใช้ในเมืองตักกัิลาตลอดถึงสถานที่การศึกษาเล่าเรียนและความสะดวกขัดข้องในระหว่างทางไปมา ความคุ้นเคยสนิทสนมนั้นเป็นเหตุให้เกิดความรักความเข้าใจซึ่งกันและกันท่านชีวกก็ตกลงใจที่จะร่วมเดินทางไปเมืองตักกศิลากับพวกพ่อค้าโดยมีจุดประสงค์ไปศึกษาวิชาการแพทย์ทั้งสองฝ่ายให้คำมั่นสัญญากันเป็นที่ไว้วางใจกันได้เมื่อพวกพ่อค้าวานิชชาวเมืองตักกศิลาเหล่านั้นเสร็จธุระเรื่องการค้าและพร้อมที่จะเดินทางกลับชายหนุ่มคนหนึ่งที่ชอบพอกับท่านชีวกก็มาบอกแก่ท่าน ให้เตรียมตัวออกเดินทางในวันรุ่งขึ้นเวลาเช้ามืดท่านชีวกก็จัดแจงเตรียมตัวเมื่อจัดข้าวของในการเดินทางเสร็จแล้วก็มาคิดว่าควรที่จะลาผู้ใหญ่ของตนจะมาคิดที่จะหนีนะั้นไม่ใช่ความประพฤติ ท, ที่ดีไม่ใช่มารยาทอันสุภาพของปกติชนแต่มาคิดดูอีกทีถ้าเราบอกแก่คนทั้งหลายว่าเราจะไปตักกศิลานั้นก็คงจะไม่มีใครให้ไปเป็นแน่เมื่อตัดสินใจจะไปก็ควรจะไปเลย ครั้นได้เวลาท่านชีวกก็ไปกับพวกพ่อค้าเขวียนที่เคลื่อนกระบวนรออกเดินทางตั้งแต่เช้ามืดไปยังนครตักศิลาหมู่เกวียนเดินทางเป็นขบวนผ่านป่าดงพงเขาหมู่บ้านอำเภอข้ามแม่น้ำลำธารธุระกันดานไปโดยลำดับเป็นเวลาหลายที่วาราตรีใช้เวลาไปตั้งเดือนเสษจจึงเข้ามาถึงเมืองตักศิลาเมื่อถึงแล้วก็พักผ่อนยอนใจเที่ยวชมบ้านเมืองอยู่หลายวัน จนเห็นว่าเพียงพอสมควรแล้วท่านชีวกก็ขอร้องให้พ่อค้าที่สนิทที่ชอบพาท่านไปยังสำนักอาจารย์ที่สาปาโมกก็คือพระฤาษีโรคาพฤกษาติรินาผู้ที่เป็นอาจารย์ให้การศึกษาสำนักหนึ่งพ่อค้าคนหนึ่งก็นำท่านชีวกไปสู่สำนักอาจารย์พระอาจารย์ก็ออกมาต้อนรับปฏิสันฐานถามชื่อท่านชีวกบ้านเกิดเมืองนอนมารดาบิดาสกุลวงศ์และความประสงค์ที่เข้ามา ท่านอาจารย์ก็ได้ทราบอย่างแจ้งชัดว่าชายหนุ่มผู้นี้ชื่อชีวกโอมารพัฒเป็นโอรสบุญธรรมของอภัยราชกุมาร น, นัดดา ข, ของพระเจ้าพิมพิสารประสงค์จะมาศึกษาวิชาการแพทย์ท่านอาจารย์ก็รับไว้ด้วยความเต็มใจท่านชีวกได้มอบตัวถวายเป็นสิทธิใช้สอยประจำสำนักอาจารย์เพราะไม่มีทรัพย์สินสาหรับค่าเล่าเรียนในสานักท่านอาจารย์นี้มีนักเรียนอยู่สองประเภทคือนักเรียนที่ เสียค่าเลาเรียนประเภทหนึ่งไม่เรียกค่าเล่าเรียนประเภทหนึ่งท่านชีวโกโกมารพัฒเป็นนักเรียนกินนอนรับใช้ทางสำนักเรียนทุกๆอย่างทั้งการงานและการบ้านการเรือนท่านชีวโกโกมารพัฒเป็นนักเรียนชั้นเยี่ยมมีปัญญาขึ้นหน้าเพื่อนนักเรียนทั้งหมดที่มาศึกษาในวิชาการแพทย์ด้วยกันเพราะถูกอาาาัจฉริยะภายในเจ็ดปีเท่านั้นซึ่งตามหลักสูตรจะต้องเรียนกันถึงสิบหกปีจึงจะสำเร็จบริบูรณ์ ที่ว่าท่านชีวกสําเร็จวิชาแพทย์ภายในเจ็ปีนั้นก็คือหลักสูตรเท่าที่อาจารย์สอนอยู่อย่างปกติหรือจะว่าอีกทีก็คือจบหลักสูตรที่สอนนั่นเองเพราะอาจารย์ไม่มีอะไรจะสอนอีกแล้วแต่ท่านชีวกเกิดมีความคิดเห็นไปอีกทางหนึ่งว่าที่เราเรียนจบมานั้นเป็นเพียงจบตามตำราเท่านั้นส่วนความรู้ในวิชาการที่แท้จริงนั้นจะจบด้วยหรือไม่หนอทําอย่างไรจึงจะรู้ซึ้งถึงสุดยอดของวิชาการแพทย์อย่างแท้จริงได้ ท่านชีวกยังสงสัยในข้อที่ท่านคิดเห็นว่าวิชาความรู้เรียนมาจบจริงหรือเปล่าทำอย่างไรจึงจะรู้ว่าเราจบจริงท่านก็ไปถามอาจารย์ว่าท่านอาจารย์วิชาความรู้ของสำนักท่านหมดเพียงแค่นี้หรือว่ายังมีอะไรอีกเมื่อท่านอาจารย์ได้ฟังคำถามก็รู้ถึงความคิดของท่านชีวกก็ตอบ อ, อกไปว่าถ้าอย่างนั้นเจ้าจงไปหาไม้ใบหญ้าเถาวัลย์ที่ไม่เป็นยา ไม่เข้ายาอะไรได้สิ่งละอย่างมาให้ฉันไอ้ที่เป็นยาเข้ายาได้ไม่เอานะเจ้าจงพยายามหามาได้ภายในสามสี่วันเริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปท่านชีบกก็ทำตามคำสั่งของท่านอาจารย์ด้วยความตั้งใจจริงเข้าป่าเที่ยวค้นหาอยู่ตลอดสี่วันเต็มๆไม่ได้ไม้ได้ยาหรือถาวันอะไรสักอย่างมีแต่เป็นยาหรือว่าเข้ายาได้ทั้งสิ้น ท่านชีวกก็เข้าไปพบอาจารย์พร้อมกับความเหนื่อยอ่อนจากการเที่ยวค้นหาไม้หาหญ้าถาวนก็เรียนท่านอาจารย์บอกว่าท่านอาจารย์ครับผมหมดปัญญาจะหาได้แล้วครับอาจารย์ผมพยายามเต็มที่แล้วพบแต่ที่เป็นยาเข้ายาทางนั้นครับท่านอาจารย์ได้ฟังท่านชีวกก็ยิ้มแล้วก็พูดบอกว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นวิชาการแพทย์ของเจ้าก็ถึงที่สุดแล้วสามารถที่จะออกไปประกอบการเลี้ยงชีพด้วยวิชานี้ได้ ท่านชีวโกโกมรพัฒก็ก้มลงกราบอาจารย์ด้วยความปราบปลื้มใจครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับท่านชีวโกโกมรพัฒเป็นสิทธิที่ดีของอาจารย์เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติดีเป็นพิเศษหลายประการเช่น มีความเคารพนับถือเชื่อถือกระตันยูกระตะเวทีมีศีลธรรมมั่นคงเป็นที่พอใจอัธยาศัยเยือกเย็นละเอียดมารยาสุภาพเรียบร้อยดีไม่มีพลาดพลั้งทั้งชาวปัญญาก็ยอดเยี่ยมท่านอาจารย์นึกถึงคุณสมบัติพิเศษของท่านชีวกดังว่านี้จึงให้ท่านชีวกศึกษาวิชาแพทย์เป็นพิเศษอีกแขนงหนึ่งคือวิชาะสมยาปรุงยาขนานเอก พร้อมทั้งวิธีการรักษาโรคด้วยยาขนาด น, นี้มีคุณภาพสูงมากใช้รักษาโรคเพียงครั้งเดียวเท่านั้นโรคก็หายอย่างเด็ดขาดไม่ต้องใช้ซ้ำรักษาโรคได้ทุกอย่างทุกชนิดเว้นเแต่โรคชนิดหนึ่งที่เรียกว่ากรรมวิปลากชาอาพาธาคือโรคอันเกิดแต่วิบา ก, กรรมวิชาแพทย์ชนิดพิเศษนี้เป็นวิชาที่ท่านอาจารย์ต้องสงวนไม่เปิดเผยแก่สิทธิ์ทั่วไป จะถ่ายทอดจะพ่อสิทธิ์ที่ดีเห็นสมควรเท่านั้นการเรียนวิชาพิเศษตองท่านชีโวโกโมารพัทตอนนี้ส่วนมากมักจะชอบเพิ่มเติมเสริมต่อในทางพุทธศาสนาเรียกกันว่าพระอัตถกถาจารย์กล่าวไว้ว่าเทวดาผู้มเหสักมีอำนาจใหญ่คือท่านเท้าสักกะเทวราชผู้เป็นใหญ่เป็นเจ้าแห่งเทวดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงคิดรำพึงว่าชีโวโกมารพัผู้นี้ต่อไปจะเป็นพุทธอุปถัมภ์ และเป็นนายแพทย์ประจำองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายเราควรให้ชีวกโกมารพัฒ ศ, ศึกษาวิชาประกอบยาและการปรุงยาพร้อมทั้งวิชาใช้ ย, ยาเป็นพิเศษเหนือวิสัยปัญญาสามารถของมนุษย์จะพึงคิดพึงทำได้ดํารีแล้วก็เข้าสิงในสรีระของอาจารย์เรียกท่านชีวกโกมารพันให้มาศึกษาวิชาพิเศษนี้ซึ่งเป็นยาบาบัดโรคได้ทุกประเภททุกชนิด เป็นวิชายาวิเศษของท่านเท้าสักกะเทวราชในสวรรค์ท่านชีวกโกมารพัฒไม่ได้ทราบเรื่องว่าท่านเท้าสักกะเทวราชมาเข้าสิงในร่างอาจารย์สําคัญมั่นใจว่าตัวเองนั้นได้ศึกษามาจากอาจารย์ของตัวเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ควรจะเข้าใจว่าท่านชีวกโกมารพัฒไม่เห็นบุญคุณของท่านเท้าสั ก, กะเทวราชเฉพาะในเวลานั้นและกล่าวว่าอาจารย์ของท่านชีวกโกมารพัฒเองก็ทราบว่าวิชาแพทย์พิเศษนี้ ไม่ใช่ของตนแต่เป็นของเทวดาท่านชีวกโกมรพัทเข้าไปหาอาจารย์ขอกราบลาเตรียมตัวกลับบ้านกลับเมืองท่านอาจารย์ทราบแล้วก็รู้สึกเสียดายแต่เห็นความจําเป็นอาจารย์ก็คิดจัดหาเสเบียงสําหรับเดินทางให้ด้วยความเมตตาอะไรสเบียงที่ท่านอาจารย์จัดให้นั้นจัดโดยใคร่ครวญเหตุผลเป็นประโยชน์แก่ท่านชีวกโกมรพัทในระหว่างทางคือจัดให้เพียงพอในระยะทางครึ่งหนึ่งเท่านั้น ส่วนอีกครึ่งหนึ่งเอาไว้ให้ท่านชีวกใช้ศิลปะวิชาหาเอาเองข้างหน้าท่านจะได้เกิดปิติปราโมทเห็นถึงคุณค่าของวิชาที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาแล้วก็จะได้รู้สึกสำนึกถึงบุญคุณของอาจารย์ของตัวเมื่อท่านชีวกเข้าไปกราบลาอาจารย์ครั้งสุดท้ายอาจารย์มอบสเสบียงนั้นให้แล้วให้โอวาสั่งสอนอวยพรตามธรรมเนียมเสร็จแล้วท่านชีวกก็กราบลาออกเดินทางท่านชีวกเดินทางออกจากเมืองตักกะศิลา รอนแรมผ่านพ้นหมู่บ้านหัวเมืองเขตแวนแดนประเทศมาเป็นลำดับขณะถึงเมืองสาเกตแวนมหารัฐกัวสนก็ได้ครึ่งทางพอดีหาที่พักแรมได้แห่งหนึ่งก็ยังไม่ได้คิดที่จะเดินทางต่อสเสบียงอาหารของท่านก็จวนจะหมดลงแล้วก็ชวนให้เกิดความมิตกตรงตามที่อาจารย์คาดหมายไว้ท่านชีวกก็คิดหาสเสบียงเพิ่มเติมก็ดาริจะใช้วิชาแพทย นึกถึงคนป่วยก็เลยออกจากที่พักเดินไปตามบ้านเที่ยวสืบถามหาคนป่วยก็ได้เรื่องว่าเวลานั้นภรยาเศรษฐีในเมืองสาเกตคนหนึ่งเป็นโรคปวดศีรษะเป็นเวลานานมาถึงประมาณเจ็ดปีแพทย์ชั้นสูงชั้นต่ำจำนวนมากมายได้ทําการรักษาพยาบาลก็ไม่หายขาดภรยาเศรษฐีต้องสิ้นเปลืองทรัพย์สินไปจนระอาอกระอาใจทอดอะไรให้เป็นไปตามยาถากรรมแล้ว ท่านชีวกเข้าไปหาภรยาเศรษฐีแสดงความจำงกับคนใช้ว่าจะมาขอรักษาโรคปวดศรีรษะของภรยาเศรษฐีคนรับใช้ก็เข้าไปบอกนายภรยาเศรษฐีถามว่าหมอคนนั้นหนุ่มหรือแก่คนรับใช้ก็บอกว่าหนุ่มครับภรยาเศรษฐีก็บอกว่าเฮ้ยไล่มันไปเหอะไม่มีประโยชน์อะไรละหมอนมหนุ่มๆจะรักษาอะไรได้ไม่เอาออกไปซะจากบ้านเหอะรำคาญจะตายแล้วคนรับใช้ของเศรษฐีก็ออกมาบอกข้ท่านชีวกซะ ท่านชีวกก็ให้คนใช้กลับไปบอกอีกว่าจะรักษาให้หายก่อนถึงจะรับค่ารักษาถ้าไม่หายจะไม่เอาอะไรเลยคนรับใช้ก็เข้าไปบอกนายตามคำสั่งของท่านคราวนี้ภรรยาเศรษฐีชอบใจก็สั่งให้ท่านชีวกเข้าไปพบในบ้านพบแล้วพูดจาตกลงยอมให้รักษาท่านชีวกก็เริ่มต้นเข้าตรวจโรคก่อนวิธีบำบัด ร, รักษาก็แสดงไว้ว่าท่านชีวกกรมรพัเอาเนยใส เจียวให้แก่ไฟจนกระทั่งแปรกลิ่นและรถแล้วประกอบกับยาผงขนาดหนึ่งเสร็จแล้วก็ให้ภรยาเศรษฐีนัดเข้าทางจมูกแล้วก็อาเจียนยานั้นออกมาทางปากโรคปวดศีรษะของภรยาเศรษฐีก็หายอย่างปิดทิ้งเพียงนัดยาเพียงครั้งเดียวเท่านั้นภรยาเศรษฐีปลื้มใจแทบตัวลอยยกย่องสรรเสริญความสา ม, มารถของท่านชีวกไปทั้งวันทั้งคืน ให้เงินค่ารักษาแก่ท่านชีวกโกมารพัสอย่างเต็มอกเต็มใจเป็นจํานวนเงิน 4,000 กหาปณะนะลูกชายและลูกสะใภ้ของเศรษฐีให้อีกคนละ 4,000 กะหาปณะนะตัวท่านเศรษฐีเจ้าของบ้านให้อีก 4,000 กหาปณะนะรวยเหลือล้นแล้วสําหรับเตรียมสเสบียงเดินทางต่อไปท่านชีวกเมื่อเสร็จจากการรักษาภรยาเศรษฐีแล้วก็ออกจากเมืองสาเกตแคว้นมหารัฐกุศลแล้วก็เดินทางต่อไป ท่านออกผ่านพ้นหมู่บ้านหัวเมืองเขตแวนประเทศแรมรอนมาเป็นหลายที่วาราตรีก็ถึงกงรุงราชคกุลแควนมคดอันเป็นบ้านเกิดเมืองนอนน้องตัวเมื่อมาถึงแล้วก็เข้าเฝ้าพระบิดาอาภัยราชกุมารทูลขออภัยโทษในการที่หนีไปโดยไม่ได้ทูลลาแล้วก็ทูลเล่าเรื่องการไปเมืองตักศิลาโดยมีความประสงค์จะศึกษาวิชาแพทย์ถวายตั้งแต่ต้นจนวสาร แล้วก็ทูลถวายเงินกับข่าทาาชายหญิงรถม้าที่ได้มาเพื่อเป็นการตอบแทนพระคุณทั้งยังเป็นการลบล้างความขุนหมองพระไทยในการที่ตัวหนีไปโดยไม่ได้ทูลลาอภัยราชกุมารก็ทรงปราบปลื้มพระไทยแล้วก็จัดว่าอย่าเลยทรัพย์สินที่เจ้าได้มาพ่อไม่เบบปราถนาอะไรเลยเจ้าจงใช้สอยเองเถิดเป็นเครื่องก่อร่างสร้างตัวเหมาะสมกับวัยและเวลาแล้ว ขั้นการต่อมาอาภัยราชกุมารก็ทรงจัดการสร้างบ้านสร้างเรือนประทานให้ท่านชีว ก, กโกมารพัฒภายในบริเวณวังของพระองค์แยกท่านชีวกออกไปเป็นครัวเรือนหนึ่งต่างหากท่านชีวกก็อยู่เป็นสุขสําราญตลอดไปอภัยราชกุมารองค์นี้มีพระโอรสหรือไม่ในตําราก็ไม่ได้กล่าวถึงไม่ได้แสดงไว้ที่นี่มาพูดถึงเกียรติคุณของท่านชีวกในราชสํานัก ครั้งหนึ่งพระเจ้าพิมพิสารพระองค์ทรงพระประชวนได้โรคฤิดสีดวงที่ถวาวรหนักพระภูษาทรงเปื้อนโดยพระโลหิตเสมอเมื่ออภัยราชกุมารเข้าเฝ้าก็มีบัญชายทรงเรียกแพทย์หลวงมาเยียวยาอภัยราชกุมารทูลว่ากล้าวกระหม่อ ม, มมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอยู่คนหนึ่งชื่อกี่ชีวกโกมารพัฒมีความรู้ในทางแพทย์ดีเป็นพิเศษถ้าพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าจะนำเข้ามาให้ถวายการรักษาพระเจ้าพิมพิสารก็ทรงโปรด บัญชาให้นำท่านชีวกเข้ามาได้ในแพทย์ชีวกทูลขอพระราชทานบรมราชานุญาตตรวจพระโรคเมื่อตรวจเสร็จแล้วก็หายาถวายเพียงครั้งเดียวเท่านั้นโรคริษดวงนั้นก็หายไปโดยสิ้นเชิงเมื่อพระเจ้าปิมพิสารวรกายเป็นปกติแล้วทรงโปรดท่านชีวกกมรพัฒมากทรงทึ่งในคุณภาพแห่งยาและความสามารถของท่าน ทรงดำริว่าจะบำเน็ตรางวัลประการใดจึงจะเหมาะสมดำริแล้วก็ตรัสบรรชาการให้จัดสิ่งของพระราชทานแก่ในแพทย์ชีวกให้รวบรวมเครื่องมหักรพันเพชรนินจินดาสำหรับราชตระกูลทั้งชุดเก่าชุดใหม่มากองเข้าถ้าคิดเป็นราคาก็เห็นเป็นจำนวนล้านๆแล้วก็จัดหญิงรูปสวยไว้เท่าๆกัน500คนแต่งกายประดับรัตนอาภร อ, อันมีค่าสูงเยี่ยม พวกราชสัมนักทั้งภายในภายนอกทั้งสูงทั้งต่ำทั้งหญิงทั้งชายก็มาประชุมกันเป็นจํานวนมากแล้วตรัส บ, บัญชาให้เรียกนายแพทย์ชีวกโกมารพัทเข้าเฝ้าพระเจ้าพิมพิสารทรงมอบพระราชทรัพย์เครื่องมหากรรมพันเหล่านั้นพร้อมทั้งหญิงห้าร้อยคนพระราชทานแก่ท่านชีวกโกมารพัทแล้วท่านก็ตรัสว่าชีวกเครื่องมหากรพันกล่องนี้พร้อมทั้งพวกผู้หญิงห้าร้อยคนที่นั่งอยู่นั้น เราขอมอบให้เป็นสมบัติของเธอเป็นการตอบแทนบุญคุณของเธอที่รักษาโรคในตัวเราให้หายได้ตอนนี้ท่านผู้ฟังก็คงจะพากันสงสัยว่าเพียงแต่รักษาโรคริดิีดวงทวารให้หายเท่านั้นทำไมจะต้องสมนาคุณกันมากมายถึงเพียงนี้มันยังไงกันอยู่ไม่น่าเชื่อนะคงจะมีพระราชประสงค์อะไรอีกสักอย่างหนึ่งที่แฝงอยู่ในพระราช ธ, ธริรไทยไม่ใช่เรื่องของการตอบแทนบุญคุณอย่างเดียวเท่านั้น เมื่อนึกถึงพระมหากษัตริย์องค์นี้มากๆซ้ำๆก็เห็นปรากฏในตำรับตำราอื่นๆหลายแห่งว่าพระมหากษัตริย์พระองค์นี้เป็นผู้ที่ทรงเกียรติคุณยอดเยี่ยมมีพระปีชาสามารถในการปกครองประเทศชาติให้ประชาชนซึ่งอยู่ภายใต้ใตบา ร, รมีอยู่ดีกินดีแล้วก็ทรงชำนาญในนรลักษณ์ศาสตร์เฉพาะนรลักษณ์เสียงทรงพระชนานาญมากมีพระเกียรติคุณว่าสัพพัญู คือเชี่ยวชาญชำนาญในการฟังเสียงของคนทั้งปวงฟังแล้วรู้ได้ว่าเป็นคนอย่างนั้นอย่างนั้นทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชั่วถ้าเป็นอย่างที่ว่านี้เวลาที่ท่านชีวโกโกมารพัทเข้าไปถวายการรักษาโรคพระมหากษัตรองนี้ทรงทอดพระเนตรเห็นรูปร่างและทรงสดับเสียงของท่านชีวโกโกมารพัทที่ถวายบ่งคมทูลบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับพระโรคก็ทรงทราบเรื่องของท่านชีวโกโกมารพัทโโพได้มากพออยู่แล้ว ก็เกิดพระกรุณาปรารถนาจะชุบเลี้ยงอยู่ในพระราชฐานไทยแต่ว่ามีประสงค์จะทดลองต่อไปอีกเป็นการทดสอบความรู้ความเข้าใจทรงพิจารณาแล้วตั้งแต่ต้นหรือถ้าหากว่าเป็นอย่างที่ว่านี้การที่พระองค์ทรงอตอบสนองความดีของท่านชีวกมากมายถึงขนาดนี้ก็เป็นวิธีการคัดเลือกคนของพระมหากษัตริย์ซึ่งจะต้องชุบเลี้ยงเท่านั้นคนนิสัยมักได้โลภเห็นแก่ตัว ไม่ควรที่พระมหากษัตริย์จะส่งชุบเลี้ยงคนเช่นนี้เมื่อดำรงหน้าที่ราชการแผ่นดินหรือหน้าที่อะไรก็ตามที่สามารถกุ้มอำนาจได้แล้วต้องทำการทุจริตไม่ซื่อตรงต่อหน้าที่ไม่มีความเป็นธรรมไม่เป็นที่ไว้วางใจของผู้ใหญ่ที่เหนือกว่าแล้วก็คนทั่ ว, วไปเราจึงให้ฉายาว่าคนขี้โกงหรือว่าคนกังฉินในที่สุดเรื่องนี้นายแพทย์ชีวออมรพัไม่รับพระราชทาน ด้วยเห็นว่าเกินควรเกินวาสนาของตัวก็ทูลถวายคืนพร้อมกราบทูลว่าที่ทรงพระกรุณาโปรยกราพระราชทานทรัพย์สินละคนเหล่านี้แก่ข้าพระพุทธเจ้านั้นก็นับว่าเป็นพระมหากรุณาอย่างล้นพ้นหาที่เปรียบไม่ได้แต่ข้าพระพุทธเจ้าเล็งเห็นว่าไม่เหมาะสมกับภาวะของตัวใช่จะมิ่นพระบรมเดชานุภาพอย่างใดนั้นไม่ได้เลยข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมกล้าบถวายทรัพย์สินกับคนเหล่านี้คืนแด่ฝ่าละองธุรีประบาทพระเจ้าค่ะ พระเจ้าพิมพิสารก็ส่งพอพระไทยในน้ำใจของหมอชีวกหากว่าหมอชีวกไม่ถวายคืนพระองค์ก็ได้เตรียมทางที่จะส่งเอากลับคืนไว้เสร็จแล้วด้วยพระปัญญาปีชาสามารถของพระองค์เมื่อท่านชีวกได้ทำอย่างนี้ก็นับว่าสร้างความมีโชคดีให้เกิดขึ้นแก่ตัวเองสร้างโชคดีแก่พระมหากษัตรติย์ของตนอีกด้วยคือพระมหากษัตริย์จะได้คนดีใช้และท่านชีวกกมารพัฒก็จะได้ตำแหน่งหน้าที่สูง มีเกียรติคุณพุ่งขจรไปในหมู่ชนทุกทิศทุกทางยืนยงอยู่ตลอดกาลนานไกลสมาคมผู้มีเกียรติซึ่งประชุมคอยดูอยู่ในที่นั้นเมื่อเห็นท่านชีวกทำอย่างนั้นต่างก็พากันเกิดปิติยินดีนิยมชมชอบกล่าวยกย่องสรรเสริญอย่างเซ็งแซ่ทั้งคนชั้นสูงชั้นต่ำทั้งหญิงทั้งชายพระมหากษัตริย์ทรงพลิกแพลงไปพระราชทานอย่างอื่นคือที่ดินเคหสบ้านเรือนเครื่องใช้คนใช้ยานพาหนะ กับสวนหลวงแห่งหนึ่งชื่อพระราชอุทยานอัมพวันหรือว่าสวนมะม่วงแล้วก็ที่ดินที่มีสวยหนึ่งแสนประจําปีให้แก่ท่านชีวกส่วนนี้ท่านชีวกน้อมเกล้ารับพระราชทานและทรงพระกรุณาแต่งตั้งให้ท่านชีวก ร, รับหน้าที่เป็นแพทย์ประจําพระองค์พระมหากษัตริย์และราชบริพารภายในพระราชสํานักและเป็นแพทย์ประจําองค์พระสมมาสัมพุทธเจ้ากับพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา ต่อจากนั้นมาเป็นเวลาเท่าไหร่ไม่กำหนดท่านชีวกได้รับพระราชทานตำแหน่งเป็นเอกอักมหาอ म าตเป็นที่สนิทที่ชอบคู่ปรึกษาราชาการแผ่นดินของพระมหากษัตริย์ท่านชีวกมีเกียรติยศเกียรติคุณชื่อเสียงดีทุกตำแหน่งเป็นข้าราชการแผ่นดินดีเป็นนายแพทย์ที่ดีเป็นที่ไว้วางใจของผู้ใหญ่ที่เหนือกว่าและคนทั่ ว, วไปประกอบกิจไม่มีการทุจริตผิดศีลธรรมสมควรแก่การนับถือบูชามีชื่อเสียงดี เป็นที่ปรากฏอยู่ในโลกตลอดกาลนานที่นี้เรื่องที่ว่าเปิดศรีรษะเสถียรชาวกรุงราชคลื้นะ่ะเรื่องมีอยู่อย่างนี้ครับเศรษฐีชาวราชคลื้คนนึงเป็นโรคปวดหัวมานานเจ็ดปีก็ไม่หายหมอเลวหมอดีมาช่วยกันปล้ำรักษากันนานนานแล้วก็ไม่รู้จักหายสักทีเสถียีก็ทนทุกขเวทนาจนเบื่อละอาชีวิตหมอไหนก็หมอนั้นรักษาอย่างไงก็ไม่ได้ผล ความเจ็บปวดก็ไม่หายไปได้จ่ายแต่ค่ารักษาไปมากบ้างน้อยบ้างสิ้นเวลาไปเจ็ดปีกว่าแล้วถ้าจะจดบันทึกรายจ่ายจะหมดเงินเป็นหมื่นๆก็หาปะนะพวกหมอที่ใกล้ๆ ก, ก็เคยรักษาเยียวยามาเยี่ยมเยียนเห็นอาการแล้วต่างก็พยากรณ์คาดหมายว่าจะต้องตายภายในห้าวันบ้างเจ็ดวันบ้างส่วนพวกคนสําคัญในชั้นเศรษฐีที่เป็นมิตรสหายชอบพอกับเศรษฐีนะั้นก็พากันมาเยี่ยม เห็นอาการหนักอย่างนั้นก็ตกใจทั้งทราบว่าหมอในบอกเลิกกันไปหมดแล้วได้มีหมอประจำคนหนึ่งในพวกคนสำคัญสำคัญขั้นเศรษฐีซึ่งเป็นมิสหายกับเศรษฐีคนเนี้ยเข้าเฝ้าพระเจ้าพิมพิสารกราบบังคมทูลเล่าอาการป่วยของเศรษฐีนั้นถวายทรงทราบ พ, พระองค์ก็ทรงพระกรุณาตรัสบัญชายท่านชีวกในแพทย์หลวงไปรักษาเศรษฐีนั้นท่านชีวกก็เตรียมตัวไปบ้านเศรษฐีที่ป่วยนั้น คั้นเมื่อถึงบ้านเศรษฐีแล้วท่านชีวกมรมพัฒก็พูดกับเศรษฐีว่าข้าพเจ้าจะมารักษาอาการป่วยของท่านโดยพระบรมราชองค์การตรัสใช้ให้มาแล้วหมอชีวกก็เข้าตรวจดูอาการเมื่อสามารถรู้เรื่องโรคดีแล้วก็พูดลองใจเศรษฐีว่าถ้าข้าพเจ้ารักษาโรคของท่านเศ ร, ร, เรษฐีหายได้จะให้อะไรแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าอยากทราบก่อนที่จะลงมือรักษา เสถียร์ก็บอกว่าถ้าเราหายจริงแล้วจะยกสมบัติของเราให้แก่ท่านส่วนตัวของเราพร้อมด้วยบุตรภรยาฆ่าทาตบริวารทั้งหลายทั้งชายทั้งหญิงจะยอมเป็นธาตรับใช้ท่านหมอทั้งหมดเลยท่านชีวกก็ถามต่อไปว่าท่านสามารถนอนตะแคงขวาเจ็ดวันตะแคงซ้ายเจ็ดวันนอนหงายเจ็ดวันโดยไม่สับเปลี่ยน อ, อิริยาบถได้ไหมท่านเสฐีรับว่านอนได้ท่านชีวกก็บอกว่าถ้าได้อย่างนั้นตกลงข้าพเจ้าจะรักษาท่าน แล้วหมอชีวกก็ลงมือจัดทําให้เศรษฐีนอนตามที่ต้องการจากนั้นก็ดําเนินการรักษาตามขั้นตอนสัญญแพทย์โดยใช้มีดผ่าตัดถลกหนังหุ้มกระโหลกศีรษะออกใช้เครื่องมืองัดเปิดกระโหลกศีรษะส่วนหนึ่งตามรอยประสานเห็นสัตว์ใหญ่เล็กสองขนาดเกิดอยู่ที่สมองสัตว์สองขนาดนี้แหละสามารถกินสมองเศรษฐีให้หมดไปภายในห้าวันได้และเมื่อมันสมองหมดแล้วท่านเศรษฐีก็จะถึงความตายทันที เมื่อเอาตัวสัตว์ที่อยู่ในสมองเศรษฐีออกหมดแล้วท่านชีวกก็เอากะโหลกศรีรษะชิ้นที่งัดออกมานั้นทำการปิดลงให้สนิทตามรอยประสานดีดังเดิมแล้วก็เย็บหนังหุ้มกระโหลกศรีรษะที่ตัดทลกออกทำโดยบรรจงประณีดเสร็จแล้วก็อายาทาตามรอยที่เย็บดำเนินการเพียงเท่าที่ว่านี้จัดว่าท่านชีวกอมรพัฒทําการรักษาเสร็จแล้ว ก็ปล่อยท่านเศรษฐีนอนตะแคงขวาเจ็ดวันนอนตะแคงซ้ายเจ็ดวันนอนหงายเจ็ดวันสิ้นเวลายี่สิบเจ็ดวันหรือสามสัปดาห์แผลก็หายเป็นปกติร่างกายของเศรษฐีผิวพรรณสดใสสมบูรณ์ปูนสุขทุกเวลาเมื่อเศรษฐีหายป่วยดีแล้ววันหนึ่งท่านชีวกก็ไปหาเศรษฐีถามว่าศรีรษะท่านเศรษฐีเป็นยังไงบ้างหายปวดไหมเศรษฐีก็บอกว่าหายเป็นปกติแล้วครับ ท่านชีวกก็บอกว่าดีแล้วต่อไปนี้เราคงได้พบกันยากเต็มทีท่านจะให้อะไรข้าพเจ้าเป็นค่ายารักษาก็ควรจะจัดการได้เสถียรก็บอกว่าคงเป็นไปตามสัญญากันไว้เดิมไม่แปลเป็นอื่นไปได้ทรัพย์สินสมบัติของเราทั้งหมดขอยกให้ท่านส่วนตัวเราพร้อมได้บุตรภรยาฆ่าทาตชายหญิงก็ต้องมอบตัวเป็นฆ่าทาตของท่านท่านชีวกท่านก็บอกว่าอืมเอากันหนักถึงขนาดนั้นเชียวเรอท่านในใจดีมากควรนับถือ อย่าให้หนักมือถึงขนาดนั้นเลยข้าพเจ้าไม่ใช่คนโลภลาภหาเงินอะไรหรอกเอาอย่างนี้ก็แล้วกันให้ข้าพเจ้าหนึ่งแสนกหาปณะนะแล้วทูนเกล้าวถวายเป็นของหลวงก็แล้วกันเศรษฐีจัดการตามที่ว่านี้ด้วยครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ มาถึงเรื่องที่หมอชีวโกโกมารพัฒ์ไปรักษาคนป่วยต่างแควน้นครั้งหนึ่งมีเศรษฐีที่มีอิทธิพลคนหนึ่งในกรุงพาราณสีบุตรชายของเขาเป็นโรคมีอาการผอมเหลืองเป็นมานานแล้วหมอในกรุงพาราณสีหลายคนแก้ไม่ตกรักษายังไงก็ไม่หายถ้าเศรษฐีก็นึกถึงท่านชีวโกโมารพัฒ์แห่งกรุงราชครื ตามชื่อเสียงที่โด่งดังไปหลายแคว้นในชมพูทวีปว่าเป็นหมอดีที่วิเศษศักดิ์สิทธิ์รักษาคนไข้าหายทุกรายและรักษาโรคได้ทุกชนิดคิดแล้วก็ตกลงใจจะไปเชิญท่านชีวโ ก, กมารพัทก็เตรียมตัวออกเดินทางมาอย่างกรุงราชฤทธิ์เมื่อมาถึงแล้วก็พักแรมครั้นได้โอกาสก็เข้าเฝ้าพระเจ้าพิมพิสารทูลขอแพทย์หลวงชีวโ ก, กมารพัไปรักษาบุตรชายของตัว พระองค์ก็ทรงมีพระกรุณาโปรดพระราชทานให้หมอชีวกไปกับเศรษฐีเศรษฐีก็นำท่านชีวกเดินทางกลับมายังกรุงพารณาณสีเมื่อถึงเคหานิเวศพักผ่อนได้เวลาแล้วเศรษฐีก็นำบุตรชายของตัวมาแสดงตัวท่านชีวกก็ได้ลงมือตรวจโรคเมื่อตรวจดูที่ท่วนรอบครอบแล้วท่านก็แสดงผลของการตรวจท่านก็บอกกับเศรษฐีว่า บุตรชายของท่านเป็นฝีในลำไส้จะต้องทําการผ่าตัดที่ท้องจึงจะรักษาหายเศรษฐีก็บอกว่าแล้วแต่หมอจะเห็นสมควรประการใดข้าพเจ้าต้องการให้ลูกหายเท่านั้นแหละหมอชีวกก็ลงมือดําเนินการผ่าตัดตามวิธีของท่านโดยทําการผ่าท้องลูกเศรษฐีจับดึงลำไส้ตอนที่เป็นฝีทั้งหมดออกมาแสดงให้เศรษฐีพร้อมนั่งภรรยาและลูกสะพาย วงสาคนาญาติซึ่งประชุมอยู่ในที่นั้นดูทุกคนพร้อมกับอธิบายโทษของฝีชนิดนี้ให้คนเหล่านั้นฟังด้วยเสร็จแล้วท่านก็ดำเนินงานต่อไปตัดลำไส้ที่เป็นฝีทิ้งตรวจตราเรียบร้อยแล้วทำแผลเย็บในเย็บนอกแล้วก็เอายาทาแผลเสร็จทุกอย่างเรียบร้อยต่อมาลูกชายเศรษฐีก็หายจากโรคสบายดีแล้วร่างกายอ้วนท้วนสมบูรณ์ในแพทย์ชีวโกมรารพัก็เตรียมตัวกลับ ก็ได้รับเงินค่ายาค่ารักษาจากเศรษฐีเป็นจำนวนหนึ่งกพันกะหาปันะท่านชีวกได้ไปเผยแพร่เกียรติคุณชื่อเสียงในทางการแพทย์ไว้ในกรุงพราราณสีแกว้นกาศีแล้วก็เดินทางกลับสู่กรุงราชครืโดยสวัสดิภาพที่นี้มาถึงเรื่องของการปรุงพระโอสถระบายถวายพระพุทธเจ้าครั้งนั้นองค์สมเด็จพระสมัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระประสงค์พระโอสถระบาย ก็บัญชาพระอนุ น, นเถระให้ไปแจ้งแก่หมอชีวกพระอานุน์รับบัญชาแล้วก็ไปแจ้แจงให้ท่านทราบหมอชีวกเมื่อทราบแล้วก็คิดว่าควรปรุงพระโอสถระบายชนิดพิเศษขึ้นสําหรับพระองค์ไม่ควรที่จะใช้ยาธรรมดาสามัญก็คิดค้นตัวยาอันมีสรรพคุณพิเศษด้วยปัญญาของตัวและตามหลักวิชาที่ได้เรียนมาจับถนัดแน่แล้วก็เริ่มดําเนินการผสมพระโอสถระบาย โดยเก็บดอกอุบลขาวมาคั่วให้มีกลิ่นแล้วก็อ่ากะเอาสามฝ่ามือหรือว่าสามกำมือแยกไว้เป็นสามส่วนส่วนละหนึ่งกำมือประกอบกับเภสัชอย่างอื่นที่เป็นยาระบายอยู่แล้วก็จัดเป็นยาระบายพิเศษใช้สูตรดมเข้าทางจมูกไม่ต้องกินเหมือนกับยาระบายธรรมดาพอปรุงเสร็จก็ไปเฝ้าสมเด็จพระสมรัมมาสัมพุทธเจ้า กลับบังคมทูลว่าพระโอสถสําหรับระบายในปรุงเสร็จแล้วได้เวลาสมควรที่ทรงระบายแล้วพระเจ้าข่าหมอชีวกก็ทูลอธิบายวิธีใช้ว่าพระโอสถดอกอุบล น, นี้จัดเป็นสามหอ่หอห่อละหนึ่งกำมือไม่ต้องทรงสเสวยเหมือนพระโอสถธรรมดาเพียงแต่สูดดมเข้าไปเท่านั้นฟาพระบาทจงสูดดมห่อที่หนึ่งไปเรื่อยๆจะระบายออกมาทั้งสิบครั้งทิ้งห่อที่หนึ่งสูดดมห่อที่สองจะระบายออกมาอีกสิบครั้งทิ้งห่อที่สองแล้ว สุดดมห่อที่สามจะระบายออกมาอีกสิบครั้งพระโอสสสามห่อห่อละหนึ่งกำมือจะระบายได้สามสิบครั้งดังนี้พระเจ้าค่าพระพุทธองค์ทรงกำหนดคำอธิบายและรับปฏิบัติพร้อมหน้าพระ อ, อนอนเทระเมื่อหมอชีวกถวายพระโอรถเรียบร้อยแล้วก็ถวายบังคมลาออกจากที่ฝ้า พอเดินออกมาถึงเขตพระอารามหลวงก็เกิดคิดถึงข้อปฏิบัติในการใช้ยาเพิ่มเติมขึ้นมาใหม่อีกว่าที่อธิบายถวายไปแล้วยังไม่เหมาะเนื่องจากาพระอุทธรหรือว่าท้องของพระพุทธองค์นี่สะสมหมักหมมมานานวันวิธีปฏิบัติเรื่องการระบายจำต้องเพิ่ ม, เ ต, มเติมอีกเพระคิดได้แล้วก็เดินย้อนกลับมาเข้าข้า ว, าวอีกกราบบังคมทูลว่าข้าพระพุทธเจ้านึกถึงวิธีปฏิบัติในการระบายขึ้นมาได้อีกอย่างหนึ่งเนื่องจากพระอุทธรของ ฝ่าพระบาทเนี่ยหมักหมมมานานควรจะเพิ่มตัวยาก็คือพระโอสถสูดดมสามหอ่อนั้นใช้ทั้งหมดสามห่อจะระบายถึงสาสิบครั้งให้พระองค์คอยนับไว้เมื่อระบายได้ยี่สิ้าครั้งยังเหลืออีกเพียงครั้งเดียวจะครบ30สิครั้งให้ทรงสงสนานหลังจากสงสนานไปก็ระบายอีกครั้งเดียวก็เป็นสามสิบครั้งอย่างนี้พระเจ้าค่ะพระบรมศาสดาทรงรับทราบโดยแสดงพระกิริยาให้รู้ พระอน์นเทระซึ่งนั่งอยู่ด้วยในที่เฝ้าก็จดจำเอาไว้เมื่อเรื่องที่ทูลเป็นที่เข้าใจกันแล้วหมอชีวกโกมาราพัฒก็กราบถวายบังคมลากลาบับสู่บ้านของตนสมเด็จพระพุทธองค์ก็ทรงใช้พระโอสฐประบายตามวิธีที่ท่านทูลทุกประการโดยไม่คาดเคลื่อนเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการแล้วก็ทรงสำราญพระหารุไทยเป็นปัจจัยบำเพ็ญพุทธกิจสั่งสอนเวไนยสัตว์สืบอนุสนธิต่อไป ครั้งหนึ่งพุทธมาม ก, กะชาวกรุงราชครื้ชวนกันทําบุญถวายทานแด่พระภิกษุสงฆ์โดยมีองค์สมเด็จพระบรมศาสดาเป็นประธานที่วัดเวรวันเมื่อพระพุทธองค์เสวยพระกยาหารเสร็จแล้วพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายก็ฉันอาหารเสร็จแล้วเช่นเดียวกันท่านชีวกโกมรพัฒก็นําผ้าสิวายกะสองพับเข้าเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบถวายบ่งคมทูล ขอพระพุทธองค์ว่าพระสงฆ์พุทธสาวกทั้งหลายยินดีอยู่ตามป่านิยมถือผ้า บ, บังสกุลเป็นการปฏิบัติประจำโดยไม่ยอมรับผ้าจีวรที่คฤราบดีถวายและเพราะฝ่าพระาพบาทยังไม่ได้ทรงอนุญาตให้รับขอจงทรงพระกรุณาอนุญาตให้พระสงฆ์ทั้งหลายรับผ้าจีวรที่โยมถวายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปด้วยเถิดพระเจ้าข้า ที่ข้าพระพุทธเจ้าทูลขอนี้ผิดชอบอย่างไรแล้วแต่จะสรงพระกรุณาพระพุทธองค์ทรงสดับแล้วก็ทรงพิจารณาถึงประโยชน์ทรงเห็นว่าชอบควรที่เราจะอนุญาตก็ตรัสประทานพระอนุญาตท่านชีวกเมื่อพระพุทธองค์ทรงอนุญาตก็แสดงอาการในเห็นว่าตนเองเกิดปิติปราโมทยมากยกาวิศยากะสองพับขึ้นแสดงแล้วทูลว่าผ้าวิศยกะ ผู้นี้เป็นผ้าที่มีเนื้อผ้าพิเศษยิ่งกว่าผ้าอื่นๆพระมหากษัตริย์จันทปรตโตแห่งกรุงอุเชนีที่ข้าพุทธเจ้าได้ไปรักษาโรคนาการครั้งนั้นได้ทรงพระกรุณาส่งมาพระราชทานแก่ข้าพุทธเจ้าข้าพเจ้าเห็นว่าตัวเองนั้นไม่เหมาะสมที่จะใช้เองเป็นผ้าสมควรแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ พระเจ้าพิมพิสารเท่านั้นจะพึงทรงใช้คิดเห็นอย่างนี้แล้วก็เลยเก็บไว้เพื่อถวายแด่กว่าพระบาทการทําบุญใหญ่ในวันนี้คข้าพุทธเจ้าได้นํามาด้วยขอฝ่าพระบาททรงพระกรุณารับผ้าผืนนี้ไว้ทรงใช้สอยเถิดพระเจ้าข้าจกเป็นภารันิสง์อันยิ่งใหญ่แก่ข้าพระพุทธเจ้าว่าแล้วก็น้อมกล่าวถวายผ้าคู่นั้นพระพุทธองค์ทรงรับแล้วทรงแสดงพระธรรมเทศนานุโมทนาในกุศลทานของท่านชีวกและมหาชนซึ่งร่วมกันบําเพ็ญในคราวเดียวกัน ณกาละครั้งนั้นเมื่อจบพระธรรมเทศนาลงพระอตกาจารย์เพิ่มเติมเสริมต่อกล่าวไว้ว่าท่านชิวโกโมารพัตได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลขั้นสูดาปฏิผลเป็นพระอริยะชั้นต่ำแต่แน่นอนที่จะต้องตรัสรู้ธรรมชั้นสูงก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปโดยไม่ถอยหลังโดยประการดังนี้ ถึงตอนที่ไปรักษาพระมาหากษัตริย์กรุงอุเฉนีครั้งนั้นพระเจ้าจันท ป, ปัตโชดมหาราชกรุงอุเฉนีประชวนพระโรคผอมเหลืองทรงทนทุกทรมานมานานแรมปีหมอหลวงประจำพระราชสำนักและพวกแพทย์อื่นๆก็ปล้ำเยียวยารักษากันจนเต็มความสามารถต่างก็หมดฝีมือแล้วก็แก้ไม่ตกโดยเกียรติคุณชื่อเสียงทางการแพทย์ของท่านชีวกกมารพั ซึ่งชำนาญรักษาคนไข้หายทุกรายและรักษาโรคทุกชนิดก็ชวนให้ข้าราชการนึกถึงท่านชีวกก็เลยกราบทูลถวายคําแนะนําพระหมหากษัตริย์ให้ทรงขอหมอชีวกมาช่วยรักษาพระเจ้าจันทปัดโชดก็ทรงเห็นชอบด้วยก็ทรงตรัสบัญชาให้คณะราชทูตนําพระราชสารไปทูลเกล้าถวายพระเจ้าพิมพิสารที่กรุงราชคือแพรนมะคด คุณนางผู้ใหญ่นําคณะราชทูตกรุงอุตเชนีเข้าเฝ้าวถวายพระราชสารความในพระราชสารนั่นทูลข อ, อนายแพทย์ชีวกโกมรพัฒไปรักษาโรคพระเจ้าจันทประโชธทรงทราบแล้วก็บัญชาให้ท่านชีวกไปยังกรุงอุตเชนีพร้อมกับคณะราชทูตท่านชีวก ร, รับราชบัญชาแล้วก็เตรียมตัวได้เวลาออกเดินทาง กราดทนแดดลมฝนระบมกายมุ่งหมายจะให้ถึงโดยเร็วหลายวันหลายคืนจนมาถึงกรุงอุเูเชนีเมื่อถึงแล้วท่านชีวกกับคณะทูตก็เข้าเฝ้าพระเจ้าจันทร์ธปชดพระองค์ก็ทอดพระเนตรเห็นนายแพทย์ผู้มีเกียรติก็ทรงดีพระไทยมากทรงตราสถามเรื่องส่วนตัวและการเดินทางได้โอกาสเหมาะท่านชีวกกมลพัชก็ทูลขอรับพระราชทานราชาอนุ ญ, ญาตตรวจโรคพระองค์ก็พระราชทานมีพระบรมราชาอนุ ญ, ญาต ท่านก็ตรวจอย่างละเอียดแล้วก็บอกว่าพระโรคนี้ไม่เป็นไรพระเจ้าข่าสามารถรักษา ห, หายได้พระโอสถสสำหรับพระโรคนี้มีแต่ต้องผสมกับเนยใสเป็นกระสายพระองค์ก็ตรัสถามว่าอะไรอะเนยใสน้ํามันจากเนยนะพระเจ้าค้าอืมไม่ได้ไม่ได้ไไดเนยใสนี่เป็นปฏิกูลสำหรับเราเกิดมาไม่เคยให้ล่วงลำคอเข้าไปได้เลยอย่าว่าแต่จะกินเข้าไปเลยเพียงแต่พูดชื่อมันเท่านั้นก็จะทนไม่ไหวอยู่แล้ว ตายเสียดีกว่าที่จะกินเนยใสยท่านจงเอายาอย่างอื่นอืมเอเยาอย่างไรนี่เราไม่เอาอ่ะท่านชีวกได้ฟังพระองค์ตรัสปฏิเสธไม่ยอมเสวยพระโอสถที่เข้ากับเนยใสยเป็นเด็ดขาดอย่างนี้แล้วก็ให้อัดอั้นตานใจเป็นที่สุดเพราะว่าโรคนี้ถ้าไม่แก้ด้วยยาที่ผสมเนยใสยแล้วไม่มีทางจะหายได้เลยท่านชีวกก็ตกลงแข็งใจต้องใช้ยานี้ให้ได้แต่คิดต่อบไปว่าพระมหากษัตริย์พระองค์นี้ ดูลักษณะอาการจะเป็นคนที่มีพระไถยร้ายจำต้องหาทางหนีทีไล่ไว้ให้เสร็จไม่งั้นจะต้องเข้าปิ่งแน่ถูกจับตัวประหารชีวิตเป็นแน่พอคิดมาถึงแค่นี้พอดีท่านชีวกนึกขึ้นมาได้อีกว่าพระหมหากศาศาศาระสัดพระองค์นี้มีคนและสัตว์พานพิเศษในทางฝีเท้าสาคัญสำคัญอยู่หลายอย่างเช่นช้างพังชื่อพัทวดีสามารถเดินทางได้วันละห้าสิบยช้างพลายชื่อนาราคิรี สามารถเดินทางได้วันละร้อยยน์แล้วก็ยังมีม้าอีกสองตัวชื่อเวลุกันโนอีกตัวหนึ่งชื่อ eso, มุนชักเอโซม้าสองตัวนี่มีกำลังฝีม้าฝีเท้าเท่ากันสามารถเดินทางได้วันละร้อยยี่สิบยอแล้วก็มีราชบุรุษอีกคนหนึ่งชื่อกาโกสามารถเดินทางได้วันละหกสิบยอดเราจำจะต้องขอพระราชทานพาหนะนี้สักอย่างหนึ่งเพื่อขี่พาตัวเราเองหนีเมื่อการวางยาสาเร็จแล้ว เมื่อท่านคิดเห็นช่องทางได้แล้วก็ถวายบังคมทูลว่าการที่จะเอายาขนานอื่นที่ไม่ต้องประกอบด้วยเนยใสยก็ได้พระเจ้าค่ะยายังมีอีกเยอะแต่ข้าพุทธเจ้าขอพระราชทานช้างพังชื่อพัทธวดีและประตูพระนครประตูหนึ่งเพื่อความสะดวกสํานัะใช้ออกเที่ยวหาสพยาซึ่งเนื่องกับเวลากลางคืนก็มีกลางวันก็มีบางอย่างต้องไปหากลางคืนบางวันอ่าบางอย่างต้องไปหากลางวัน งานถวายการรักษาก็จะได้เร็วขึ้นพระเจ้าค่ะพระองค์ได้สดับคําของหมอชีวกก็ไม่ได้ทรงคิดระแวงในเลขกลของท่านชีวกทรงอนุญาตแล้วก็ตรัสบัญชาให้หัวหน้ามหาเล็กจัด ก, การตามความประสงค์หมอชีวกก็ถวายบังคมลาออกจากหน้าพระที่นั่งไปเจ้าหน้าที่เขาก็จัดรับรองบ้านพักไว้ให้ไปนอนตรึกตรองถึงการประกอบยาพอคิดสําเร็จแล้วก็ลุกขึ้นไปดําเนินการ เอาเนยใสายมาเคี่ยวไฟแก่หน่อยแปลสีกลิ่นรสให้คล้ายคลึงกับสีน้ำรถหวาดได้ที่ดีแล้วว่าเอาไปเก็บไว้คอยเวลาตามปกติพระนครหลวงหรือว่ากรุงใหญ่ๆครั้งสมัยโบราณผู้คนไม่ขับข้างล้นหลามเหมือนในสมัยนี้ประตูพระมหานครเปิดกลางวันปิดกลางคืนมีคนเฝ้ารักษาประตูทุกๆประตูหมอชีวกก็เลือกเข้าเฝ้าถวายพระโอสถในเวลาหัวค่า เมื่อได้เวลาแล้วหมอชีวกก็เข้าเฝ้าพระองค์กราบบังคมถวายพระโอสถแล้วก็ทูลว่าทรงเสวยพระโอสถได้แล้วพระเจ้าค่ะพระโอสถนี้ผสมด้วยน้ํำฝาดเป็นกระสายพระองค์ก็ทรงรับมาเสวยโดยไม่ได้ทรงทราบว่าประกอบกับเนยใสเมื่อพระองค์ทรงเสวยพระโอสถเสร็จแล้วท่านชีวกก็รีบทูลว่าจะจัดพระโอสถมาทูลถวายอีกแล้วก็ถวายบังคมลาออกจากพระที่นั่งรีบไปที่โรงช้าง แจ้งความประสงค์ให้เจ้าพนักงานเลี้ยงช้างทราบว่าต้องการช้างพังพัฒวดีเดี๋ยวนี้เมื่อได้ช้างพังแล้วก็ขึ้นขับหนีออกจากพระมหานครเอาขอสับช้างพัฒวดีเร่งฝีเท้าให้เร็วที่สุดเพื่อให้ออกพ้นจากพระนครของพระเจ้าจันทประชดหลังจากที่พระองค์ทรงสเสวยพระโอสถแล้วพระโอสถก็ละลายกระจายรดพองตัวทรงเรอออกมาส่งกลิ่นเลยใสยฟุ้งไปทั่ว พระองค์ก็ทรงร้องว่าเฮ้ยนี่มันเนยใสเนี่ยจังไรเอากูเข้าแล้วปตายแน่วันนี้จัดเรียกมหาเล็กเวนด้วยเสียงดังลัน่นเจ้าจงไปตามตัวหมอชีวกโกมารพัฒมาเดี๋ยวนี้ตอนนั้นก็ทรงเรอออกมาถีโอ้ก็อกมหาดเล็กไปตามตัวหมอชีวกก็เงียบหายพระองค์ก็พิโรธมากทรงกว้างปาถีบเครื่องราชูรพระระโพกนี่แตกรกระจายกระถนขันน้ํากลิ่งระเนรนา มหาเล็กกลับเข้ามากราบทูลบอกหมอชีวโกโกมารพัฒนขี่ช้างพังพัฒวดีออกจากนครไปนานแล้วพระเจ้าค่ะไม่ทราบว่าจะไปหายาหรือว่าหนีไปพระเจ้าค่ะพระองค์ก็ตรัสว่าไอ้หมอเจ้าเล่หนีอสิขืนอยู่หัวมันจะขาดไปตามตัวไอ้กาโกมาหากูเร็วๆ เ, เ, เข้าในกาโกคนนี้ก็คือราชบุรุษผู้มีผีเท้าเป็นเยี่ยมสามารถเดินทางได้วันละหกสิบยอดมหาเล็กรับพระบรมราชองค์การแล้วหายเงียบไปหลายชั่วโมง จนเกือบสว่างถึงได้ตัวนายกาโกเข้ามาเฝ้ารพระองค์เสร็จแล้วพระองค์ทรง ท, รงทอดพระเนตรนายกาโกก็บอกว่าไอ้กาโกเกือเรื่องแล้วไอ้หมอชีวกกมรารพัฒ ช, ชาวกรุงราชครื้มารักษากูมันวางยากูด้วยเนยใสแล้วก็หลบหน้าพาช่างพัฒวดีแผ่นหนีไปมึงชนานาญทางดีจงรีบไปตามตัวมันมาเร็วๆมันหนีไปนานแล้วอย่าชักช้านะนี่กูจะเตือนมึงนะไอ้หมอคนนี้ท่าทีเล่เหลี่ยมมันมากนะมึงนะ่ะกลุมหัว ไอ้ขี้เท้อยังเอาหัวสากไว้ให้ดีจงสำนึกตัวมึงดีแต่จะเดินเร็วเท่านั้นกูน่ะมีปัญญาพอตัวถึงเป็นพระเจ้าบผ่นดินยังไล่ความคิดมันไม่ทันตกหลุมเหนยใส่เขาจนได้ถ้าไปทันเขากลางทางแล้วมันจะให้มึงกินอะไรอะไรของมันนะมึงอยากกินนะ่ะมึงกินเข้าไปมึงจะตกหลุมเล่กคนนั้นมันอีคนหนึ่งเสียเกียรติชาวกรุงอุเชนีจำไว้นะไปราชบุรุษกากรับบัญชาแล้วก็ถวายบังคมหลาออกจากพระที่นั่งเดินตรงไปยังบ้านเรือน้องตัวเตรียมตัวเดินทางอย่างรีบด่วน หมอชีวกคาดหมายไว้ก่อนแล้วว่าพระเจ้าแผนดินต้องใช้ราชบุตรหรือว่ามหาเล็กที่ชื่อไนกาโกมาตามตัวท่านกลับอุชเชนีเป็นแน่ก็พยายามเร่งผีเท้าช้างพังพัฒวดีให้พ้นเขตแวน่นอวันตีแล้วก็พักรอคอยไนกาโกเพื่อที่จะส่งช้างคืนให้เขาแต่จะไม่ยอมตามไนกาโกกลับไปที่กรุงอุชเชนีเป็นอันขาดจะขอมุ่งหน้าเดินทางกลับบ้านเมืองของตัว เมื่อท่านชีวกเดินมาถึงตำบลหนึ่งใกล้กรุงโกสัมพีก็หยุดลงแล้วก็ลงจากหลังช้างพักรับประทานอาหารเที่ยวเดินไปตามบริเวณที่พักไปพบต้นมะขามป้อมลูกดกต้นหนึ่งก็เก็บมาหนึ่งกำมืออันมะขามป้อมนี้มีสรรพคุณแก้กระหายน้ำแล้วก็ลงมือรับประทานอาหารขณะที่กำลังรับประทานอาหารอยู่นั้นท่านชีวกก็ท่อสายตาแลเห็นคนคนหนึ่งเดินมาตามทาง ก็คิดว่าใครหนอนายกาโกตามมากระมังจากนั้นก็หันหน้าไปทางตัวช้างซึ่งกําลังกระชากใบไม้เป็นอาหารอยู่แล้วกว่าสายตาไปทั่วบริเวณที่ช้างยืนแน่แล้วนายกาโกแน่เราต้องทําใจดีสู้เสือเขายังไม่เห็นเราเราควรจะเรียกทักเขาเสก่อนคิดแล้วก็ตะโกนขึ้นทันทีว่าท่านกาโกเชิญทางนี้หน่อยเออข้าพเจ้าอยู่ตรงนี้นายกาโกมองเห็นท่านชีวกแล้วก็เดินตรงเข้าไปยิ้มแป้นแล้วก็พูดบอกว่าท่านหมอ มีพระบรมราชองค์การในข้าพเจ้ามาเชิญตัวท่านหมอกลับไปรับพระราชทานรางวัลบําเหน็จในการรักษาโรคของท่านหมอหมอชีวกก็บอกว่าเออถ้าอย่างนั้นก็ต้องกลับสิท่านเป็นคนของพระมหากษัตริย์ที่สําคัญคนหนึ่งในกรุงอุเชนีข้าพเจ้าก็เป็นคนของพระมหากษัตริย์ของกรุงราชคฤก์เราสามารถทําความเข้าใจกันได้ง่ายๆเราไม่ให้ท่านต้องลําบากถึงกับจะต้องจับมัดหรอก นั่งลงรับประทานอาหารด้วยกันก่อนแล้วค่อยพูดกันท่านเดินทางมาไกลคงจะหิวแล้วไม่เฉลอในกาโกก็มีสตินึกขึ้นได้ว่าเมื่อตอนจะกราบถวายบังคมลาพระเจ้าจันทประโชยทรงตรัสว่าถ้าหมอชีวกให้กินอะไรห้ามไม่ให้กินก็บอกว่าท่านกินคนเดียวเถอะระหว่างทางข้าพเจ้ากินโรตีมาแล้วยังอิ่มแป้อ ย, อยู่เลยอยากจะดื่มแต่น้ําเท่านั้นมีหนองน้ําหรือว่าลําธารที่ไหนบ้างล่ะท่านชีวกก็บอกว่าอย่างนั้นเหรอน้ําของข้าพเจ้าก็มี ในกระบอกนี่แต่ท่านยังดื่มไม่ได้นายกาโกูก็ถามมาทําไมละ่ะท่านจีวกก็บอกว่าหมอเขาห้ามเดินทางสากแดดมาร้อนๆจะเกิดโรคต้องกินผลมะขามป้อมแก้กระหายน้ําเสียก่อนเสร็จแล้วท่านจีวกก็เอามือล่วงลงไปในอกระป๋าเครื่องยาใช้นิ้วมืออนิ้วแม่มือกดลงไปที่ยาถ่ายยาถ่ายก็ติดเล็บหัวแม่มือแล้วจิกลงไปที่ผลมะขามป้อมผลหนึ่งก็หยิบขึ้นมาส่งให้ในายกาโกะ แล้วก็พูดบอกว่าอ่ะกินผลเดียวก็พอมาถึงตอนนี้นกาโกเสียท่าคิดผิดพ ร, ริ๊โง่ยื่นมือไปรับเอาผลมาขามป้อมมากินเคี้ยวทยนตนหมดผลแล้วก็นั่งรอให้ท่านชีวกินอาหารเสร็จคุยกันไปพลังครู่เดียวเท่านั้นนกาโกเอหมอท้องผมเป็นเป็นอะไรไม่รู้มันเป็นยังไงอ่ะมันปั่นป่วนคลื่นคล้ายคลื่นคล้ายเป็นลูกคลื่น วิ่งพลาดยังกะหนูวิ่งหนีแม่วะไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็หายหายอะไรนะมันยิ่งแรงหนักขึ้นทุกทีทุกทีนายกาโกนึกถึงประวาจาิทาสตรสห้มามไม่ให้กินอะไรเขาหมอเห็นทีจะเสียทีหมอเสแล้วก็มัง้งท่านชีวกกินอาหารเสร็จแล้วก็เก็บข้าวของเตรียมตัวเดินทางต่อไปนายกาโกก็น่าสีดอ่า นี่ท่านหมอทําอะไรข้าพเจ้าเนี่ยโอ้ยปวดท้องแล้วเกินยังไม่ทันจะเปลื้องผ้าเลยอุจจาระก็พุง่งจูดออกมาแทบหมดพุง่งในกาโกล้มนอนหมดแรงอ่าท่านชีวกก็นั่งลงตรงหน้าในกาโกลแล้วก็พูดปลอบในกาโกบอกว่าเพื่อนเอ้ยไม่เป็นไรหรอกเชื่อข้าพเจ้าเถอะมันเป็นยาถ่ายไม่ใช่ยาพิษนึกว่าถ่ายท้องเสียทีก็แล้วกันหมักหมมกันมานานแล้วนี่หมดพิษยาถ่ายแล้วเดี๋ยวเรีย ว, รยวแรงก็กลับมาอย่าได้ตกใจไปเลย ต่อไปท่านจะเป็นคนที่มีสุขภาพดีที่สุดผิวพรรณผุดผ่องเดินคล่องว่องไวธรรมดาท่านสา ม, มารถเดินได้วันละหกสิบโยต์ต่อไปนี้ท่านอาจจะเดินทางได้วันละเจ็ดสิบโยต์ก็ได้มันเป็นความจำเป็นของข้าพเจ้าที่ต้องทำอย่างนี้ทำไมเช่นนั้นท่านกับข้าพเจ้าก็ต้องเล่นชักะเยะาะากันอยู่สองคนในป่านี้แหละท่านมีแรงหายดีแล้วก็จงขี่ช้างกลับเข้าเมืองเสียส่วนข้าพเจ้าจะกลับไปกรุงราชครือเออ ท่านชีวกก็ทิ้งในกาโกแล้วเดินทางกลับมหานครราชครื้แควนมาคดรอนแรมไปตามลําดับก็มาถึงมหานครโดยสวัสดิภาพท่านชีวกพักผ่อนควรแก่เวลาแล้วก็เข้าเฝ้าพระเจ้าพิมพิสารทูลเล่าเรื่องราวทั้งปวงอันเนื่องโดยกิจกรรมต่างๆที่ตัวได้ไปทํามาตั้งแต่ต้นจนอวสานให้พระเจ้าพิมพิสารทรงรับทราบทุกประการพระองค์ก็ทรงยกย่องเสริเสริญความฉลาดของท่านชีวกที่สามารถเอาตัวรอดมาได้ แต่การกระทําของพระเจ้ากรุงอุเชนีนั้นพระเจ้าพิมพิสารทรงว่าอะไรนั้นก็ยากเสียทำนายท่านชีวกสามารถเอาตัวรอดมาได้ก็ดีแล้วแต่ถ้าเอาตัวรอดไม่ได้คือไม่หนีพระเจ้าจันทประโชยจะประหารชีวิตท่านชีวกโกมารพัทหรือไม่นั่นก็เป็นคําถามที่เกิดขึ้นในสมองของพระองค์เรื่องกกรมรมควมอยู่ถ้าหากถูกประหารแน่ท่านชีวกโกมารพัท ต, ตายเพราะวางยาไม่ถูกพระราชประสงค์นั้นชอบแล้วหรือน่ะ ขอย้อนกลับมาที่ในกาโกโมหาดเล็กหรือว่าราชบุรุษเมื่อท่านชีวกได้แยกทางจากไปแล้วในาม่ช้าก็รู้สึกว่ามีเรียวแรงขึ้นพอลุกขึ้นได้ก็ปีง ข, ขึ้นหลังช้างกลับสู่พระนครอุเชนีเมื่อได้พักผ่อนมีเรียวมีแรงแล้วพอได้เวลาเข้าเฝ้าก็ทูลเล่าเรื่องราวเนื่องด้วยภารกิจที่ตัวทำตั้งแต่ต้นจนอวสานได้ทรงทราบทุกประการในการต่อมาเมื่อพระโรคของพระเจ้าจันทปรโชดหายพระวรากายเป็นปกติดีแล้ว องค์ก็ทรงระลึกถึงความสามารถของท่านชีวกโอมารพัทคิดว่าเราก็ยังไม่ได้ตอบแทนอย่างใดแก่เขาเลยก็ตรัสสั่งให้จัดสิ่งของเครื่องใช้อันมีค่านานาประการให้นํามามอบแก่ท่านชีวกถึงกรุงราชครื้แล้วการต่อมาอีกพระเจ้าจันทประโชตก็มีพระราชบัญชาให้จัดผ้าชื่อสิไวยากะซึ่งเป็นงานหัตถกรรมมังชนชาวกาสีเมืองหลวงของพระนาศีนิยมันว่าเป็นผ้าชั้นดีฝีมือเยี่ยมยิ่งกว่าผ้าประเทศใดๆในโลก ต้งเลือกสรรเอาชนิดที่ดีเยี่ยมให้ทูตนำมาพระราชทานแก่หมอชีวกโปรมารพัฒถึงกรุงราชครุเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณหลายพับท่านชีวกรับแล้วตรวจดูคิดว่าผ้าเหล่านี้เป็นผ้าชั้นเยี่ยมไม่ควรแก่เราจะใช้สอยควรแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่าพระมหากษัตริย์เท่านั้นก็เลยเก็บผ้านั้นไว้ก่อนหาได้ใช้สอยไม่แล้วก็ตั้งใจว่าจะนำไปถวายสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าในวาระที่เหมาะสมต่อไป มาถึงเรื่องที่หมอชีวกสร้างวัดถวายพระพุทธเจ้าท่านชีวกโกมารพัฒคิดถึงตัวปรารถนาจะอบรมจิตใจในทางธรรมให้มากยิ่งขึ้นก็เลยคิดว่าเราควรจะเข้าเฝ้าใกล้ชิดพระพุทธองค์วันละสองครั้งเช้าครั้งเย็นครั้งถึงจะดีการนั่งเฝ้าสนทนาจะสิ้นเวลาเท่าไหร่นั้นไม่กําหนดแล้วแต่เรื่องที่จะต้องพูดต้องฟังมากหรือน้อยเท่านั้นถือว่าวันหนึ่งสองครั้งเป็นเกณฑ์ เป็นทางเพิ่มพูนกองการกุศลแล้วก็เจริญก้าวหน้าในทางธรรมะปฏิบัติแต่พระราชอุทยานเวรวันพระอารามหลวงที่พระพุทธองค์ทรงประทับกับพระสาวกห่างไกลสําหรับท่านไปมาไม่สะดวกควรจะสร้างวัดสําหรับตัวขึ้นใหม่วัดหนึ่งดีกว่าถึงจะเข้าเฝ้าวัลาสองเวลาได้สะดวกก็คือพระราชอุทยานอัมพรวันหรือ ว, ว่าสวนมะม่วง ที่พระเจ้าพิมพิสารพระราชทานให้ท่านนั้นใกล้บ้านไปมาสะดวกก็จะต้องอุทิศถวายเป็นธรณีสงสร้างวัดเถอ ะ, ถอะคิดตกลงอย่างนั้นแล้วก็เริ่มดำเนินงานก่อสร้างหาในช่างมากะการคุมกำลังคนงานสืบหาไม้อิดปูนสัมภาระอุปกรณ์การก่อสร้างนานาประการตามความต้องการสร้างอาคารเล็กใหญ่ขึ้นครบตามธุรกิจที่ต้องใช้เป็นอาคารอิฐ ปูนก็มีไม้ก็มีกุฏิเป็นหลังๆวางเป็นแถวแนวเหมาะสมสาหรับเป็นที่ประทับขององค์สมเด็จพระสมรัมมาสัมพุทธเจ้าและภิกษุทั้งหลายศาลาที่ประชุมทมสังกัดิโรงธรรมศากัจฉาแสดงพระธรรมเทศนาสถานที่วิเวกบำเพ็ญสมณธรรมบ่อน้อกำกําแพงเขตวัดที่ธรณีสงครบหมดตามที่ต้องการ พอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กราบถวายบังคมทูลสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมเดชพระสงฆ์พุทธาสาวกเสด็จเข้าประทับอาศัยในวัดใหม่บําเพ็ญกุศลรับทานฉลองเป็นการใหญ่เมื่อเลี้ยงอาหารบิณฑบาตแก่พระภิกษุสงฆ์ซึ่งมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสด็จมาเป็นประธานเสร็จแล้วก็ถวายบริการจีวรให้ครองผ้าสบงจีวร อ, อีกต่อ น, นึงเสร็จแล้วหมอชีวก็กราบถวายบังคมทูลมอบถวายอาวาสแด่พระภิกษุสงฆ์ โดยมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานหลังน้ำลงที่ฝ่าพระหัตต์ของพระพุทธองค์ซึ่งพระองค์ก็ทรงแบรับเป็นเครื่องหมายโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและอาคารนั้นๆในวัดให้เป็นกรรมสิทธิ์ของพระสงฆ์ขาดจากกรรมสิทธิ์ของเจ้าของเดิมในการครั้งนั้นนับว่าท่านชีวกได้บริจาคปัจจัยทานแด่พระสงฆ์มีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธานครบหมดทั้งสี่ประการคือจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและกีฬานะเพสัต เสร็จจากการมอบถวายแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงเทศนาอนุโมทนาในกุศลทานพิเศษนี้วัดนี้มีชื่อระเบือในหมู่ชนชาวกรุงราชครื้ตามนิมิตเดิมของสวนว่าวัดอัมพะวานารามบ้างชีวกัมพะวนารามบ้างชีวกัมพวันบ้างส่วนท่านชีวกอมรพัฒ์ซึ่งเป็นผู้สร้างวัดก็อุปถัมภ์วัดนี้ไปจนตลอดชีพ ได้เข้าเฝ้าใกล้ชิดสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเวลาสองครั้งเช้าเย็นสมความประสงค์แล้วก็เที่ยวเรตตรวจตราดูแลพระภิกษุสงฆ์ทั่วทั้งวัด ร, รูปใดขาดแคลนด้วยปัจจัยสิ่งใดก็จัดการเพิ่มเติมด้วยปัจจัยสิ่งนั้นแม้เกิดอาพาธเจ็บป่วยก็รักษาพยาบาลให้หายเป็นปกติพระภิกษุสงฆ์ก็สมบูรณ์ภูมิสุขอยู่ดีกินดีบำเพ็ญสมณ ก, กิจได้สะดวกเพราะท่านชีวโกโกมารพัฒตั้งใจอุปถัมภ์ดูแลด้วยจิต ที่เปี่ยมด้วยศรัท ธ, ธาภะษาทะอันเข้มแข็งพระภิกษุสงฆ์ที่มีท่านชีว ก, กมรมพัฒ์ตั้งใจอุปถรัรมเป็นสมณะที่ดีทั้งนั้นเป็นพระอริยะบุคคลเป็นส่วนมากต่อไปเรื่องการรักษาแผลโลหิตุปบปบาทให้กับพระพุทธเจ้ามีพระภิกษุรูปหนึ่งเป็นเจ้านายในวงกรรษกัตร์สาคกยะมีชื่อว่าเทวทัตเป็นพี่ชายของพระนางพิมพาพระนางพิมพาก็คือพระชายาของ สิทธัฏากุมารเจ้าชายเทวทัตเข้ามาทรงผนวดในพระพุทธศาสนาพร้อมกับเจ้านายหลายพระองค์เช่นเจ้าชายอนันทากุมารหรือที่เราเรียกกันว่าพระอานนท์เป็นต้นพระเทวทัตอง์นี้ทรงผนวดแล้วไม่ได้คุณพิเศษอะไรในทางมรรคผลคนอื่นๆที่บวชพร้อมๆกันเขาได้มรรคผลเป็นพระอริยบุคคลไปหมดที่พระเทวทัตไม่ได้มรรคผลก็เป็นเพราะกิเลสหยาบบาปหนา คนอยากได้เป็นปกติจะเอาทุกด้านมักอิชาลิษยาถือเอาทิฐินอกขอกนอกรีดผิดแนวแห่งเหตุผลนับตั้งแต่บวชใหม่ๆมาไม่มีชื่อเสียงในทางดีทางไหนเลยพวกพุทธมามะกะชนไม่มีใครถามถึงไม่มีใครเอ่ยชื่อถึงไม่เหมือนพระเถระองค์อื่นๆนี่เป็นเหตุให้พระเถรทัตน้อยอกน้อยใจทนไม่ไหวคิดพงซ่านไปได้วยแรงกิเลสอยากจะหาบุคคลผู้ประถมสร้างอิทธิพล มุ่งกระทำความเสียหายให้มากยิ่งขึ้นคืออยากจะครองตําแหน่งเป็นพระรพุทธเจ้าเพื่อปกครองพระภิกิสุสงทั้งหมดเสเองเมื่อคิดไล่ตัวไปถึงบุคคลที่มีอํานาจที่จะเข้ายึดครองก็นึกถึงอาชาติศัตรูราชกุมารซึ่งเป็นพระโอรสของพระเจ้าบิมพิสารเป็นโอรสชั้นเจ้าฟ้าลูกหลวงดํารงตำแหน่งมกุฎ ร, ราชกุมารก็คือผู้ที่จะครอบครองราชสมบัติเป็นกษัตริย์ต่อไปในภายภาคหน้า ตอนนั้นพระราชกมุมานองนี้ยังทรงพระเยาว์อยู่ตั้งอยู่ในยุวพุทธิกะความคิดเห็นยังอยู่ในฐานะเป็นคนหนุ่มยังไม่ล่วงล้ำถึงชั้นผู้ใหญ่ได้พระเทวทัตจึงคิดว่าจำเราจะล่อลวงให้มาอยู่ในอำนาจแล้วก็จะได้เป็นกำลังของเราเมื่อพระเทวทัตคิดไปถึงความสําเร็จก็นึกทะนงอิ่มเอิบอยู่ในใจครั้นได้โอกาสวันหนึ่งพระเทวทัตก็เข้าไปหาอาชาติศัตรูกุมารในตอนนี้พระอักถาจารย์ อบอกว่าพระเทวทัตเนี่ยแปลงเพศเป็นอย่างอื่นเนรมิตงูพิษหรือว่าสร้างงูพิษขึ้นสี่ตัวเอางูพิษสี่ตัวนั้นทําเป็นสองวานพาดพันตามตัวแล้วเหาะไปด้วยอากาศเข้าไปถึงองค์พระราชกุมารก็นั่งลงที่พระเพลาของพระองค์พระราชกุมารตกพระทัยมากแล้วพระเทวทัตก็กลับแสดงตัวเป็นสมณะตามเดิม ที่พูดว่าพระเทวทัตแปลงเพศก็ดีในระมิดงูขึ้นพาดพันตัวก็ดีเหาะไปโดยทางอากาศก็ดีแสดงให้เห็นว่าพระเทวทัตมีวิชาอยู่มากอยู่แล้วอาชาติศัตรูกุมารเกิดความเลื่อมใสพอใจในพระเทวทัตก็ยกขึ้นไว้เป็นที่เคารพนับถือม่อบพระองค์เป็นผู้ประทับพระเทวทัตตั้งแต่นั้นมาทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อพระเทวทัตเกิดความต้องการขึ้นมาแล้วอาชาติศัตรูกุมารก็ทรงจัดหาให้สมความประสงค์ทั้งหมด พระเทวทัตก็คุมพักพวกที่เป็นพระภิกษุพันธ์เข้าไว้ได้มากอาศัยกําลังของอาชาติศัตรูราชกุมารพระองค์เดียวจิตใจของพระเทวทัตก็ยิ่งกําเริบเสบสารชักจูงแนะนําให้อาชาติศัตรูกุมารจัดการปรงพระชนพระเจ้าพิมพิสารผู้เป็นพระราชบิดาของพระองค์เองเพื่อขึ้นครองราชสมบัติส่วนตัวพระเทวทัตเองก็พยายามปรงพระชนสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคิดจะครอบครองพระภิกษุทั้งหมดเสียเอง เริ่มแรกพระเทวทัตทูลขอกําลังจ้างคนสันทัดทางยิงธนูให้ไปยิงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ทรงระจญนายสันทัดธนูสอนแพ้ยอมจำนวนเป็นครั้งที่หนึ่งต่อมาพระเทวทัตทูลขอกําลังอีกปล่อยช้างหลวงชื่อนารากิรีซึ่งกําลังตกมันให้ไปขยี้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเวลาเสด็จออกจากวัดพระพุทธองค์ทรงประจญช้างนารากิรี จนมันยอมแพ้เหมาะราบคาบแก้วอันนี้เป็นชัยชนะครั้งที่สองการต่อมาครั้งหนึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเปลี่ยนพระอิริยาบถเสด็จขึ้นประทับณเขาคิชกูดที่ทรงเคยประทับพระเทวทัตรู้การเปลี่ยนพระอิริยาบถของพระพุทธองค์แล้วก็คุมพักพวกตามขึ้นไปสู่ยอดเขาคิชกูดโดยวางแผนจะกลิ้งก้อนศิลาขนาดใหญ่ลงมาปลงพระชนพระพุทธองค์เวลาสเสด็จลงจากเขา และเหล่าสาวกตามเสด็จเมื่อถึงเวลาสมควรแก่การเปลี่ยนพระอิริยาบถณเข า, ากิจกูดแล้วพระพุทธองค์มีพระประสงค์จะเสด็จลงจากยอดเขาก็จัดสั่งให้พระอานุเทระแจ้งให้พระภิกษุเตรียมตัวเสร็จแล้วก็เคลื่อนกระบวนโดยพระพุทธองค์เสด็จนำหน้าพระเทวทัศ์สามารถล่วงรู้โดยสายที่วางไว้ก็บัญชาการพักพวกให้เตรียมพร้อมทิ้งช่วงเวลาพักใหญ่จากนั้นก็สั่งให้พระภิกษุจิตใจห ย, ยาบ ช่วยกันกลิ้งก้อนศิลาลงมาแล้วปล่อยเสียงดังอึกทึกโครมครามราวกับฟ้าถลม่มทลายทัานขบวนของพระพุทธองค์เสด็จถึงหน้าธรรมมัทตะกุจชิก้อนศิลาก็เคลื่อนลงมาพอดีแต่ปรากฏว่าก้อนศิลาใหญ่นั้นแตกกระจายออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยและมีก้อนหนึ่งกระเด็นมาถูกพระชงคือหน้าแข้งของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดเป็นโลหิตตุประบาดคือห่อเลือดพระพุทธองค์ทรงทราบเดีดพระปีชา ย, ยานว่า เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นเพราะการกระทำของพระเทวทัตแน่นอนก็รีบเสด็จนำกระบวนพระภิกษุสงฆ์ตรงไปยังชีวกกัมพวนณารามเมื่อเสด็จถึงแล้วก็ตรัส บ, บัญชาให้พระอนุนเถระไปตามท่านชีวกโกมารพั์มารักษาแผลโลหิตตุประบาทพระอนุนเถระรับพุทธบัญชาแล้วก็กราบถวายบังคมลาไปแจ้งแก่ท่านชีวกโกมารพั์ท่านชีวกทราบแล้วก็รีบมาเฝ้าโดยด่วน เมื่อได้ตรวจพระการแล้วก็ใช้ยาพอกแผลเอาผ้าพันธุ์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็กราบทูลว่าข้าพระพุทธเจ้าจะไปรักษาคนป่วยคนหนึ่งภายในพระนครแล้วจะกลับมาเฝ้าใหม่ขอฝ่าพระบาทอย่าเพิ่งแก้ผ้าพันแผลจนกว่าข้าพระพุทธเจ้าจะกลับมาเสร็จแล้วก็กราบบังคมลาเข้าไปในพระนครพอหมอชีวกรักษาคนไข้เสร็จแล้วก็รีบมาเฝ้าพระพุทธองค์โดยด่วนแต่ท่านมาถึงประตูพระนครเนี่ยเป็นเวลาพรบค่ําแลยประตูพระนครก็ปิดลงจะแล้ว ท่านชีวกก็ไม่ได้เข้าไปเฝ้าตามที่ถูกนัดหมายไว้จำเป็นต้องกลับบ้านนอนวิตกกระวนกระวายคิดไปว่าบาปหนักเลยแล้วเราสัญญากับพระพุทธองค์ไว้ว่าจะแก้ผ้าพันแผลให้แต่นี้นี่เวลาก็ล่วงเลยไปแล้วหากเกิดเจ็บปวดขึ้นที่แผลพระพุทธองค์จะทรงเร่าร้อนพระไทยตลอดคืนเป็นแน่ส่วนพระพุทธองค์ทรงทราบเหตุการณ์ขัดข้องของหมอชีวกโดยพยายากระจ่างชัด เมื่อถึงเวลาแก้ผ้าพันแผลตามที่ท่านชีวกกาหนดไว้ก็ตรัสเรียกพระอนอนทเทระให้มาแก้ผ้าพันแผลเมื่อพระอนอนท์จัดการนั้นปรากฏว่าแผลโลหิตตุปบาทแห้งล่อนหายเป็นปกติประดุดเปลือกไม้ที่สเก็ดแห้งหลุดร่วงออกไปฉะนั้นจัดว่าแผลพระโลหิตตุประบาทของพระพุทธเจ้าหายดีแล้วครั้นรุ่งขึ้นยังไม่ทันสว่างดีท่านชีวกก็รีบออกจากบ้านมาเฝ้าพุทธองค์กราบบังคมทูลว่า ข้าพระพุทธเจ้าวิตกเดือดร้อนนอนไม่หลับตลอดคืนเนื่องจากเสียคำมั่นสัญญาที่พูดไว้ไปรักษาคนไข้ช้าไปหน่อยกลับออกมาประตูพระมหานครปิดซะแล้วหมดทางที่จะออกมาเฝ้าแก้ผ้าพันแผลได้ต้องกลับเคหสานนอนเป็นทุกข์ว่าอาการปวดแผลจะเกิดแก่พระพุทธองค์เป็นแน่นอนเป็นอย่างไรบ้างพระเจ้าข้ะแผลมีอาการเจ็บปวดบวมเร่าร้อนเกิดขึ้นแก่ฝ่าพระบาทหรือไม่ เมื่อท่านชีวกทูลถามอย่างนั้นพระพุทธองค์ก็ทรงตรัสตอบประกาศผลของความสิ้นกิเลสว่าความเร่าร้อนหรือความเจ็บนั้นเป็นสองประการคือเร่าร้อนกายและใจและในสองประการนั้นความเร่าร้อนใจหรือเจ็บใจของเราไม่ได้มีได้ดับสนิทไปแล้วเมื่อวันที่เราตรัสรู้ภายใต้โผพฤกแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงตรัสเป็นข้อธรรมว่าความเร่าร้อนใจย่อมไม่มีแก่ผู้หลุดพ้นพิเศษแล้วจากทางไกลคือวัตตะสาม กิเลสกรรมและวิบากขัดล้างกิเลสเครื่องรึงรัดทั้งหลายในธรรมทั้งปวงหมดความเศร้าโศกเสียใจพระดํารัส จ, จบลงท่านชีวกก็ปลื้มปิติใจมากกราบลงแทบฝ่าพระบาททั้งคู่ของพระพุทธองค์โชคดีท่านชีวกได้รักษาแผลโลหิตตุปบาทของพระพุทธองค์ให้หายมีเกียรติคุณแนบไปกับพระพุทธศาสนาตลอดกาลนานไกลแต่อัปรีจันไร กลับไปตกอยู่กับพระเทวทัตผู้กระทําโลหิตตุปบาศโดยอํานาจกิเลสของตนชื่อเสียงเหม็นอยู่ตลอดกาลนานไกลอกุศลที่ปิดบังฝังไว้ก็ระเบิดตูมตามเหมือนขึ้นมาในวันที่พระเทวทัตทําโลหิตตุปบาศนั่นเองในชั่ววันหนึ่งกับคืนหนึ่งข่าวของพระเทวทัตก็ระบือรือกระชอนไปทั่วทั้งภายในภายนอกพระมหานครประชาชนนับแสนโจดจันระเบียงเซ่งแซ่ว่าพระเทวทัตภิกษุบาปหนา หาปัญหาพาพรรคพวกขึ้นยอดเขามุ่งจะบลงพระชนพระพุทธเจ้าช่วยกันผลักก้อนหินลงมาเดชะบรารมีอนุภาพพระพุทธองค์ได้ผลเพียงโลหิตตุปบาดเท่านั้นอีกทั้งพระเทวทัตยัยงยุยงแนะนําพระมหากษัตริย์อาชาติศัตรูให้ทรงทำปิดดูฆ่าลงพระชนพระเจ้าพิมพิสารพระราชบิดาของพระองค์เองเพื่อพรองรายสมบัติเสียงอัปมงคลออกมาจากมหาชนทั่วไปทุกคนทุกแห่งกล่าวคําหยาบคายต่อพระมหากษัตริย์ มินพระบรมเดชานุภาพโดยไม่ได้เกรงกลัวต่ออำนาจใดๆเพราะไปสงคบหาสมาคมกับพระเทวทัตภิกษุใจหยาบแล้วก็พากันแช่งด่าพระเทวทัตด้วยถ้อยคําหยาบคายนานาประการส่วนพระเทวทัตนั้นบังเกิดความเกรงกลัวอำนาจมหาชนก็พาพักพวกหลบหนีออกจากพระราชอาณาจักรไปอยู่ที่ขยาศรีสะประเทศชื่อเสียงชั่วร้ายของพระเทวทัตกับความดีของท่านชีวกโกมรพัฒ จึงเป็นดั่งเส้นขนานกันโดยประการชนีครับโดยเหตุที่เรื่องราวของท่านบรมครูชิโบโกมรพัทเท่าที่ปรากฏอยู่ตามพระสูตรต่างๆเช่นในพระคำภีปรตรัยปิฎก ในหนังสือประวัติท่านชีวโกโมารพัตเนี่ยยังไม่มีเล่มไหนเลยที่กล่าวถึงชีวประวัติในช่วงบั้นปลายของท่านว่าหลังจากที่พระพุทธองค์ได้ทรงเข้าสู่พระปรินิพพานและหลังจากได้มีการถวายพระเพลิงแล้วหมอชีวกไปอยู่ที่ไหนทําอะไรบ้างแล้วก็ได้สิ้นอายุไขไปเมื่อไหร่นะครับมีผู้พยายามคนา้นคว้าเรื่องนี้ก็ได้ไปพบหนังสือเล่มหนึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคนทรงที่ ระบุไว้ว่าเมื่อวันที่14ธันวาคมพศ2500เวลา19นาิกา30นาทีได้มีการอัญเชิญพระวิญญาณของท่านบรมครูแพทย์ชีวกโกมรพัฒเข้าประทับทรงอันนี้เข้าใจว่าจะเป็นที่วัดยวนสะพานขาวนะครับเพราะว่าสถานที่ตรงนั้นมีการประทับทรงบรมครูปู่ชีวกเนี่ยมีชื่อเสียงมากเข้าใจว่าคงจะเป็นตรงนั้น ในหนังสือนั้นกล่าวว่ า, าท่านชีวโ ก, กมารพัได้เล่าว่าหลังจากที่เราได้จัดการเรื่องพระศพของพระบรมศ า, ศาสดาเสร็จแล้วก็มาคิดว่าตัวเราเนี้สูญสิ้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเราหมดทางทุกอย่างไม่มีอะไรเหลือแก่บรรดาผู้ที่อยู่ทั่ ว, วไปไม่รู้ว่าจิตใจของเราเป็นอย่างไรเวลานั้นหลังจากที่ได้จัดการถวายพระเพลิงพระศพแล้ว เราก็ไม่อยากจะมองหน้าใครไม่อยากพบเห็นใครหลบกลับกรุงราชครื้แล้วก็เข้าไปอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งที่เขาคดชกูดทางทิศตะวันออกถ้ำนั้นชื่อว่าถ้ำเขาคดชกูด ร, ร็จแล้วก็ไม่ได้ออกมาอีกเลยไม่รู้กี่วันกี่เดือนกี่ปีไม่ออกมาแต่ก็มีคนรู้ก็ไปหาโดยมากเป็นคนที่เจ็บป่วยอ่าเราไม่เกลียดเ็าหรอก แม้ว่าเราจะหลบไปอยู่ในนั้นซึ่งไม่มีใครรู้เขาก็พยายามไปหาเพราะว่าเขาเหล่านั้นกลัวความตายจงกระทั่งเราเสียไม่ได้ก็ต้องรักษาเหยลยาให้เขาไปพระนนเองยังไม่ทราบเลยว่าเราเข้าไปอยู่ในถ้ำแห่งนั้นเราอยู่แต่ผู้เดียวไม่มีผู้ใดปรนิบัติเราไม่มีผู้ใดสนใจเราถ้ามีพระสงฆ์มาเราก็ทําการรักษาให้บ้างเหมือนกันอยู่มาวันหนึ่งเวลาดึกมากแล้ววันนั้นดูมันจะเป็นวันที่แปลกประหลาดสักหน่อย ในระหว่างที่เราอยู่ภายในถ้ำนั้นเรารู้สึกว่าภายในถ้ำมีรมัศมีแสงสว่างส่องจ้าทั่วไปเราก็รู้สึกอัศจรรย์ใจเหมือนกันมานั่งคิดไปคิดมาเราก็หวนคิดถึงพระพุทธองค์ตอนนั้นจิตใจเราว้าวุ่นไม่เป็นอันหลับอันนอนเกิดมีนิมิตรประหลาดมีเสียงมากระซิบที่ข้างหูเราด้วยสำเนียงอ่อนหวานซึ่งเราก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยเขากระซิบว่า ชีวกโกมรารพัฒน์ท่า น, นเป็นแพทย์ประจําพระพุทธองค์ใช่ไหมตอนนั้นเรารู้สึกเคลอบเคลิมเข้าใจแล้วก็ตอบไปว่าเรานี่นะ่ะเป็นแพทย์ประจําของพระพุทธองค์ละแปลกประหลาดหลังจากนั้นก็ไม่มีเสียงอะไรอีกเลยแสงสว่างภายในถ้ำก็หมดไปก็คงมืด อ, อย่างเดิมเราสะดุ้งตื่นหลังจากนั้นแล้วมานั่งคิดนั่งตรองดูว่าได้เข้ามาอยู่ในถ้ำนี้กี่วันกี่เดือนกี่ปีแล้วก็ไม่รู้ หวนึกถึงเสียงนั้นว่าเอ๊ะมันจับหัวใจเนี่ยมันจับหัวใจทําไมต้องมาถามอย่างนี้น่ะใครๆเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเราเป็นอแพทย์ประจําตัวพระพุทธเจา้าแต่ว่าเสียงนั้นไม่ใช่เสียงของพระพุทธองค์เป็นเสียงประหลาดเสียงหวานแม้แต่คําพูดยังเพราะจับใจแปลกแล้วหลังจากนั้นเรามานั่งคิดดูเรามานั่งไตรรองถึงสิ่งต่างๆหวน คิดนึกถึงจิตใจที่ตั้งไว้แต่เดิมว่าจะขอเป็นหมออยู่ใกล้กับพระพุทธเจ้าไปตลอดชีวิตของเราจนชีวิตเราจะจากไปเป็นเรื่องความตั้งใจแต่แรกของเราเมื่อครั้งพระพุทธองค์ยังทรงพระชนชีพเป็นปกติดีอยู่นี่ยังไม่ทันเราจะตายพระองค์ก็ด่วนเสด็จไปซะก่อนน่าเสียดายน่าเสียใจถ้าหากว่าพระองค์ทรงสเสวยพระโอษฐที่เราถวายในวาระสุดท้ายนั้นก็ คงจะไม่เป็นอย่างนี้มาหัวนึกคิดถึงตอนนี้แล้วความตั้งจิตอธิษฐานของเราว่าจะตามพระองค์ที่พปรองได้เสด็จไปมันเกิดมาณนะขึ้นมาทีเดียวเราได้ตั้งสัตปฏิยานขณะนั้นว่าพระองค์ได้เสด็จจากไปข้าพทธเจ้าขอตามไปด้วยอยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์หมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไม่ใช่หรือ ขณะที่ได้ทําสัตปฏิยานแล้วรู้สึกว่าหน้าถ้ำนะั้นมีเสียงคล้ายๆจะพังลงมาปิดทันทีเราก็เข้านอนระลึกถึงพระพุทธองค์ตลอดเรื่อยระหว่างที่เรายังไม่หลับเมื่อหลับไปคราวนั้นก็เลยไม่ตื่นเหมือนกันหลับไม่ตื่นอ่าตอนที่เราไปถวายพระโอสถพระพุทธองค์พระอ น, นุนได้ไปตามเราเราพักอยู่ใกล้กับที่พระพุทธองค์ทรงประทับเราตามเสด็จไปด้วยตอนถวายพระโอสถ ต, ตอนนั้นนะ่ะเราอายุได้เจ็ดสิบกว่าปี เออท่านทั้งหลายภาร ก, กิจของเราเสร็จแล้วท่านทั้งหลายทําอะไรอย่าได้ประมาททาสิ่งใดอย่าได้ประมาทจงสุขุมเยือกเย็นขอจงมีความสุขขอจงมีความสุขพอท่านพูดจบวิญญาณของท่านก็ออกจากร่างที่ประทับส่งไปครับนั่นก็คือเรื่องราวของมหาบุรุษอผู้เกิดมาเคียงข้างพระพุทธองค์โดยตลอด ชีวิตอันยิ่งใหญ่บางครั้งก็มาจากชาติกำเนิดอันต้อยตำ่ำดังเช่นท่านชีวโกโกมรพัฒผู้นี้ถูกทอดทิ้งตั้งแต่เป็นทารกน้อยอายุไม่กี่วันเพราะถือกำเนิดมาจากหญิงโสเพณีที่เขาไม่ต้องการแต่ท่านก็สามารถนำพาชีวิตให้งดงามและยิ่งใหญ่ได้เพราะความมั่นคงในจิตวิญญาณความใฝ่รู้ความเชื่อมั่นและความศรัทธาอันสูงส่ง